เจริญธรรมทุกคนเอาวันนี้เป็นการเรียนพุทธชีวศิลปครั้งที่หนึ่งาการเรียนพุทธชีวศิลครั้งที่หนึ่งก็ต้องเริ่มต้นด้วยคาว่าพุทธชีว ศิลเนี่ยมันคืออะไรกินความหรืออมความหรือมีความหมายว่าอย่างไรกันก่อนอให้เข้าใจพุทธะยังไม่อธิบายว่าหมายความว่าอะไรมีความยิ่งใหญ่ขนาดในอย่างไรเอาไว้ก่อนชีวะกับศิละปะ พุทธชีวนเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตของเราเนี่แหละชีวะให้มันอยู่กับพุทธให้มันเป็นพุทธนะพุทธชีวศิลให้มันอยู่กับพุทธให้มันเป็นพุทธโดยมีศิลป์ศิลปะนี้อาตมาได้เคยพูดผ่านมาแล้ว<ม>เคยชี้ความ สำคัญว่ามันต่างจากคำว่าศาสตร์ศาสตร์ะศิลปะกับศาสตร์อะไรเขามักจะใช้คู่กันเป็นศิลป์และเป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์และเป็นศิล์อะไรต้นอัตมาก็ใช้แต่อัตมาว่าอัตมาเข้าใจว่าศิลป์กับศาสตร์นี่มันต่างกันมันเป็นความรู้ทั้งคู่อะ แล้วก็ใช้กับสังคมทั้งคู่ทั้งศิลทั้งศาสตร์ศาสตร์นั้นรู้กันทั่วไปศาสตราหมายถึงความรู้กลางกลางทั่วไปรู้กันหมดแล้วก็ศึกษากันหมดเรียนรู้กันหมดเป็นความรู้ครอบจักรวาลเลยครุมความรู้รู้ไปเพื่อธรรมะกินรู้ไปเพื่อที่จะได้ชนะจะได้เปรียบเขารู้ไปเพื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่ บำเรความอยากรู้ก็ตามศสสิลปะนั้นก็มีคนส่วนหนึ่งคนพวกหนึ่งที่เข้าใจความหมายของศิลปะไปตามคอนเซปต์ของเขาไปตามความรู้ที่เป็นความยึดถือเป็นทิศที่เขาหมายว่าศิลปะต้องอย่างนี้อย่างนี้คือศิลปะมันเหมือนกับจำกัดลงมาจากัด เป็นสิ่งที่เป็นความรู้หรือเป็นความสามารถศิลปะจะมีทั้งความรู้และความสามารถอยู่ด้วยกันซึ่งเขารู้ว่าคนมีศินไหมเขาบอก็มีความสามารถสามารถในด้านในดๆก็แล้วแต่ศิลปะก็แบ่งความเป็นศิลปะเรียกว่าเพียวอาร์ตมีหชนิดแต่เดี๋ยวนี้มันขยา ย, ายออกไปเป็นกีส่สิบชนิดแล้วก็ไม่รู้สารพัดที่เขาจะตั้งชื่อว่าไอหนอนอาร์ตอเนื้อาร์ต แม้แต่ศิลปะในการค่าก็เรียกคอมเมเชียนอาร์ตอัมาฝังแล้วก็ว่าไปมันเป็น Art อาร์ตตรงไหนว่ามันเป็นเรื่องไปหลอกเขาศิลปะบอกก่อนตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่ความรู้เพื่อไปหลอกใครเพื่อไปเอาเปรียบใครศิลปะในพระพุทธเจ้าท่านให้คำจำกัดความเลยว่าเป็นมงคลอันอุดมศิลปะเนี่ย หรือภาาบาลีว่าสิปะซอเซอสลีปอปลาสองตัวแต่ศิลปะนีภาษาเซสกฤตอันเดียวกันเซสกฤตใช้คําว่าศิลปะส่วนบาลีใช้สิปะสอเซอส ล, สลีปอปลปอปาปอปาสิปะเป็นมงคลอันอุดมมงคลแปลว่าความประเสริฐเป็นความประเสริฐอันอุดมอันสูงส่ง เพราะขั้นอุดมนี่คือคือขั้นอุดมหรืออุ ด, ดอหรืออุตมะอุตตระเนี่ยมันเป็นขั้นโลกุตระมันเป็นขั้นเหนือสามัญถ้าพูดกันถึงพยัญชนะบ่งบอกไว้ก็ตามและความจริงของมันก็ตามเพราะฉจะเป็นความรู้ที่มันต่างกักบศาสตร์ะความรู้ศาสตร์ะมันเป็ความรู้รวร ก, กว้างรู้เล็กรู้น้อยรู้ขี้มูขี้มมาอะไรรู้จกนกระทั่งฉเฉลียวฉลาด เป็นจอมปราดจอมปรัชญาอะไรก็ตามใจเขาก็ระดูั้นเป็นความรู้ทางโลกศาสตร์นะเอามาใช้เรียกทางศาสนาบ้างเหมือนกันว่าพุทธศาสตร์เป็นความรู้ทางพุทธศาสตร์ก็เรียกแทนความหมายที่เข้าใจกันว่าศาสตร์ะคือความรู้เขาเข้าใจกันกเอามาใช้เรียกเท่านั้นแต่มันไม่เจาะจงหรือมันไม่ชี้บ่งลงไป ช, ชัดเจนหรอกนะ ถ้าความหมายของมันเองจริงๆแล้วมันก็แปลว่าความรู้นะแต่เป็นความรู้จริงๆเป็นความรู้ขั้นอาริยะขั้นโล ก, กุตระเป็นความรู้อันเจริญของมนุษย์ประเสริฐมนุษย์เจริญจริงๆนั่นเป็นเป็นคนิยามที่มันเจาะจงลงไปถ้าใช้คาว่ามงคลอันอนุดมแล้วมันหมายถึงอย่างนั้นเลยเป็นความเจริญระดับอาริยะเลยศิลปะ แล้วศิลปะเขาก็พอรู้คร่าวๆคนคนข้างนอกคนกว้างๆคนทั่วไป um. ว่าคนมีศิลปะนี้มันต้องมีฝีมือด้วยมีการกระทำได้ด้วยไม่ใช่แต่รู้เขาเข้าใจว่าฝีมือหรือการกระทาเท่านั้นด้วยเป็นเป็นเป็นหลักเขาไม่หมายถึงว่าเป็นความรู้เท่าไหร่ศิลปะเขาไม่หมายถึงการเป็นความรู้เท่าไหร่ด้วยเขาไปหมายถึงเป็นเป็นเป็นความเป็นเป็นความสามารถ เขาจะเอียงเข้าใจไปทางนี้กนะ็มีปัญหาอะไรก็ขอให้ไปทําได้ทําเป็นมงคลอนุด ม, มก็ใช้ได้แล้วอหะถ้าว่กมาทําได้เนี่ยยิ่งทําได้เลยเป็นมงคลอนุดมก็คืออาริยบุคคลเลยแหลนะยิ่งเป็นอาริยะเลยยิ่งแจวใหญ่เลยเป็นอาริยบุคคลนะเป็นอาริยะชนเลย พราความรู้ที่เราจะเรียนวิชาที่เราจะเรียนหรือจุดมุ่งหมายของพวกเราศึกษากันนี้เราจะศึกษาให้เกิดศิลปะอัตมาถึงตั้งชื่อครุเดียกนามฉายาครุของพวกเราว่าถ้าเป็นพอศเนี่ยผู้ช่วยศิลปาจานถ้าเป็นรอศก็รองศ ส, สองศิลปาจา์ ถ้าเป็นสอตัวเดียวก็ศิลปาจานโดยตรงเลยไม่ใช่ศาสตราจารย์ไม่ใช่รองศาสตราจารย์ไม่ใช่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่เป็นศิลปาจานเคยเกิดมาแล้วเคยพูดมาแล้วใ ค, ใครไม่เคยได้ยินถามคนไม่เคยใครไม่เคยได้ยินที่อาตมาเคยพูดมาแล้วยกบุญทีไม่กี่คนนอกนั้นเคยได้ยินมาหมดนอาตมาพูดไปแล้วเคยผ่านพูดผ่านไปแล้วน <c oughs> เพราะงั้นขอเราจรึงเป็นพุทธชีวศิลป์ไม่ใช่พุทธชีวศาสตร์นะพุทธชีวศิลป์เพราะจะมีความเป็นชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างมีศิลปะและศิลปะอันนั้นก็มีนิยามระบุชัดเลยว่าขึ้นต้นเลยว่าตองเป็นเชิงพุทธแนวพุทธแบบพุทธหรือเป็นพุทธแท้ๆเลยพุทธชีวศิลป์ นะเป็นพุทธแท้เลยนะันความรู้อย่างไรรู้แล้วจะเป็นคนอย่างไรปฏิบัติได้แล้วจะเป็นคนอย่างไรก็เป็นคนเป็นอารียชนเป็นคนมีความรู้ที่ระดับโลกุตตรธรรมเท่านั้นเองตั้งแต่เริ่มต้นเป็นโลกุตตรธรรมที่หนึ่งก็มีโสดาปติมักขันติสอง ้าไปอีกก็เป็นโซดาปฏิผลสูงข้ไปอีกก็เป็นสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลนั่นคือความเป็นโลกุตตรธรรมซึ่งมี9ก้าถ้าขึ้นต้นด้วยโซดาปฏิมักก็มี9ก้าโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลและนิพพาน มีโลกุตระธรรมเกผู้ที่มีโลกุตระธรรมนี่แหละคือมนุษย์เจริญเป็นผู้มีพุทธชีวะศิลที่แท้จริงเป็นอาริยชนถ้าทั้งประเทศเป็นประเทศที่มีชนบุคคลมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมอย่างนี้จริงประเทศนั้นก็เป็นอาริยะประเทศถ้ามีเปอร์เซนต์ของ ประชาชนคนไทยมีคุณสมบัติมีคุณธรรมอันเป็นคุณวิเศษเลยนะธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมลุษอาริยะธรรมเนี่ยเป็นโซดาขึ้นไปถึงนิพพานเนี่ยเป็นคุณวิเศษเลยก็เรียกเป็นประเทศซีวีไลท์ตามภาษาอังกฤษเขาที่ต้องการความเป็นแต่อังกฤษเองเขาไม่เคยรว่วก เพราะเขาไม่ได้เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเขาเป็นประเทศที่มีศาสนาคริสต์ที่เป็นเทวนิยมมันคนละทิศกันคนละอย่างคนละทาง ก, กันกับประเทศที่มีศาสนาพุทธซึ่งเป็นอเทวนิยมและมีโลกุตระมีอาริยะอาริยชนอาริยธรรมที่แท้จริงนะ พราะเนื้อแทอ่เนื้อแท้แท้สาระแท้แท้อริยะทมจริงๆจะใช้คำว่า c i v i l i z ซ d ซึ่งเป็นคำสากลกลางๆรู้ทั่วไปว่ามนุษย์ควรจะเป็นอาริยะมนุษย์ควรจะซ i ว i ลไลซ์เขาก็เข้าใจอย่างนี้เพราะความหมายของซ i v i l i z e d ที่เขาจำกัดเขามีข้อจำกัดอยู่แค่ความรู้เป็น เทวนิยมสูงสุดแต่ของพุทธเราก็ชีวิไลก็ไม่ขัดแย้งกับเขาหรอกแต่ไม่ต้องข่มเขาเราไปถึงโลกุตระก็ไม่ต้องไปข่มเขาพูดที่จะรู้โลกุตระต้องรู้โ ล, โลกียะต้องรู้กัลยาณธรรมหรือธรรมะที่เป็นระดับกัลยาะกัลยาหรือเป็นอธรรม หรือเป็นธรรมเป็นกัลยาณธรรมคือเป็นระดับโลกียะแต่ว่ามันดีเราก็ต้องรู้ด้วยที่ไม่ดีเลยเราก็รู้แต่ความจริงนั้นของเรามันก็ไม่ได้ขึ้นกับดีไม่ดีไม่ได้เป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นแต่เราหลุดพ้นไปจากทั้งดีและไม่ดีของโลกียะด้วยพุทธเนี่ยเช่นโสดาบันเขาเขายังไปวนเวียน แล้วก็ไปนึกไปความเจริญทางโลกิยะเช่นมันเป็นดาราฟุตบอลอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นอบายมุกเขาไม่รู้หรอกเป็นดาราได้เงินเยอะๆอยอะไรอยู่นี่ๆๆทุกวันเนี่ยนะอะไรต่างๆที่เขาทาอย่างนี้มั น, ม, น, ม, นมันไรสาระมันมีแต่ความมันความพอใจความรสชาติทางบำเรออารมณ์เท่านั้นเป็นหลักนอกนั้นมันก็มาแฝงการค้ามาแฝงธุรกิจมาแฝง โดยก็ไปเรียกว่าไม่ได้หรอกไอเรื่องกีฬาเตะบอลหรืออะไรพวกนี้มันระดับโลกแล้วมันเป็นตัวกลางของการหมุนเงินอย่างสำคัญก็ใช่อบายมุกเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งหมุนเงินอย่างร้ากาที่สุดเร็วแรงมากหมุนมากเร็วแรงในทางเปิดเผยในทางไม่เปิดเผยเดี๋ยวนี้ เป็นไปเะยอะและพวกเราเนี่ยจะไม่แยแสความสามารถพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ไปตัดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาติดกันไปแยง่งไปขัดไปขวางเดี๋ยวก็ตามมาฆ่าเราเทอะนะมาเล่นงานเรามารุมเราเพราะมันเยอะตายเขาถือไม้จิ้มฟันมาคนลอันเราตายหมดเลยไม่ต้องเอาวุฒิมาถือไม้จิ้มฟันมาคนลอันมามารุมเราเนี่เอาไม้จิ้มฟันทิ้มเราตาย ไม่ต้องไปอาวุธร้ายแรงอะไรลเพราะคนมันมากเกินเท่าไหร่ข้อเรานี่เป็นสักจุดศูย์ศนหงของพลพละพ ล, ะพละโลกเจ0 0พข้อเราในประมาณเจ0 7ร0อยเจดล้านนะข้อ700นี้เจดรอคนหรือเจ็ดพันคนอาใ7 0เจ็ดหม้ยอ่ะเจ็ 70, ดหมื่นคนไอ้นั่นเจ็ดพล้านมันจุดกี่ศูนย์ไม่รู้เลรจุดศูนกี่ศูนย์เนี่ยไม่รู้ อัตมากตกคำนวณยำเยอะเจ็ดเลยแต่ก็พอประมาณได้นะแต่เราก็ไม่ได้ท้ออะไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้สมบัติอันนี้เราก็ได้อริยทรัพย์อันนี้ได้ความเจริญที่เราเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเจริญเขาไม่เข้าใจเขาจะหาว่าพวกเอยพวกหลังเขาพวกงงเงาพวก ไม่พัฒนาพวกง ม, มงายอะไรก็ว่าไปเราก็ ม, มีปัญหาอะไรพราะเราก็แต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญญาของตัวเองตัดสินเองพิจารณาเองสมัครใจเอาเองจะมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปแย่งเขาด้วยเพราะเขาไปแย่งกันโน่นกันามาทางนี้ไม่ได้แย่งก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแต่ ว, ว่าเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างคนละขั้วมันมองมนเพลิ น, นมันเหมือนกับศัตรูกันเลยนะมันดํากับขาวมันเหมือนกับศัตรูที่จะฆ่ากัน แข่งกันข้าาหัห่นกันแต่เปล่าเรากลับเป็นตัวไม่เป็นพิษเป็นภัยเขาเลยเรากลับจะทำให้เขาสบายเพราะเขาเอาเราเป็นคนให้เขาเป็นคนเอาเขาเป็นคนแย่งเราเป็นคนไม่สร้างสรรค์เสียสลับเขาเป็นคนไปติดไปยึดเราเป็นคนล้างออกมาล้างออกมาเขาก็ยิ่งตัวแย่งน้อยลงเขาก็ยิ่งสบายขึ้นน่ะเขาจะติดจะดูดจะแย่งจะ สะสมอะไรไปต่ไรเราก็ยิ่งละออกทิง้งออกวางออกมันคนละทิศเลยเพราะงั้นเราจึงไม่ใช่ตัวไปแข่งขันไปตัวแก่งแย่งไปตัวหรือเป็นตัวต่อสู้อะไรกับเาไม่ได้เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นความเป็นอริยะ ที่เราใช้คําว่าอาริยะนออ่างสระอารอเดือสระ อ, อิยอยักษ์สระอนันอัตมาเจตนาเอาคํานี้มาใช้เพื่อจะเป็นบัญญัติที่ต่างกันกับโลกเขาใช้ตัวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันหรอกอาริยะก็ยังดีอยู่ว่ามันมีนะที่จริงมันไม่ได้บัญญัติขึ้นใหม่อาริยะเนี่ยอาริยะสีอาริยะเมตไตรหรือสีอันนี่แหละอาริยะ กลันนี่แหละก็อารยะ ส, รสีอาริยเมตรัยเนี่ยหมายถึงคุณสมบัติทางพุทธเลยพุทธธรรมพุทธศาสนาแล้วคําว่ายุคใดกันแล้วแต่ถ้ามีสีอาริยเมตรยัยเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองที่สุดถ้ามีคุณสมบัติเป็นสีอาริยเมตรยัยนี่คือสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองมันก็เหลืออาริยะนี่มาให้เรา อาระยะเขาก็เอาไปใช้แล้วอริยะเขาก็เอาไปใช้แล้วก็วดีเห็นไหมเราไม่ได้ไปแย่งอะไรเขาเลยเขากลับหาว่าเฮ้ยไม่มีอะพอดีนะเดี๋ยวยังบอกว่าโชคดีอยู่ว่ามันยังมีอยู่อ่าคานี้ยืนยันแต่ก่อนก็เคยยันอาตมานะว่ามันมันหยัดขึ้นใหม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไม่เคยมีนะอาริยะเอามาจากไหน แต่ก่อนนี้อาตมาก็ยังไม่ไม่ได้นึกถึงตัวนี้นะไม่ถึงเสียอริยะเมตตาอาตมาก็เลยไม่อันตู้เมื่อกันไม่ได้เถียงไม่ได้แย่งเขาไม่ได้อ้างอิงยืนยันกับเขาพอตอนหลังอาตมามารู้แล้วมาสิมาถามที่ธนาคารนี้มาที่คาเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักเราศีรษีอาริยะเมตตาคุณไม่รู้จักเราเออดีคุณไม่รู้จักแสดงว่าศาสนาพุทของคุณก็มีแค่นั้นแหะคุณก็ไม่มีคุณไม่รู้จักคุณก็ความรู้ศาสนาพุทของคุณแค่นั้นนหะก็ไม่ต้องแย่งกันต่อ เพราะคนมันรู้กันทั่วอยู่แล้วมันไม่ได้ลึกลับอะไรนะพราเราก็เลยแต่ก่อนนี้อาตมาต้องพัฒยามาธิบายว่าเราเอาอาระยะกับอาริยะนี่มารวมกันแทนที่จะเป็นอะริยะแทนที่จะเป็นอาระยะเราก็เลยมารวมกันเป็นอาริยะอุสาต้องอธิบายอย่างนั้นนะแต่ก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่อธิบายแล้วไม่ต้องอธิบายแล้ว มันมีอยู่เก่าก่อนแล้วมันมีของจริงอยู่แล้วยืนยันอยู่แล้วคุณไม่รับก็ไม่เป็นไรคุณไม่เชื่อคุณคุณไม่รู้ก็จบเราก็ใช้ของเราสบายไม่มีใครมาแย่งอะไรมันลงตัวอย่างนี้หมดเลยอย่างเรามาเป็นสมณะแทนที่จะไปเป็นพระตามที่เขาเรียกกันนะนะแล้วก็ไม่ได้สมณะไม่ต้องไปเรียกพระพระนะี่สิเป็นคําใหม่สมณะนั่นมันคําเก่านะเออ อ, อะไรงี่มันเป็นไ ป, นปนธรรมชาติ เขาต้องไปโกนคิ้วเราไว้คิ้วเอ้าของพระพุทธเจ้าไว้คิ้วไม่ได้โกนนี่มันเป็นเองเลยมตาต่างๆนานาหรือแม้แต่ที่สุดก็ไปนุ่งเหลืองกันห่มเหลืองกันเราโดนขับมาบไม่ได้เราหนุ่งไปซ้ําไม่ได้ไปผิดพระราชบัญญัติกฎหมายเราไปนั่งแต่งซ้อนแต่งซ้ำเราก็มาแต่งของเราแบบนี้เอาก็ไปตรงของพระเจ้าอเองผ้ายอมน้าฝาดโอ้มากอย่างมันเป็นไปโดยธรรมอ่ามันเป็นไปจริงเนี่ย สิ่งที่มันลงกันทั้งรูปและนามแล้วเป็นไปจริงมันจะเป็นอย่างที่เรียกว่ามันไม่น่าเชื่อคิดไม่ได้แล้วก็ไม่เจตนาสร้างเอาด้วยนะมันจะออกมาเองมันจะเป็นไปเองเหตุปัจจัยเป็นไปเป็นไปนะอันนี้คำว่าอริยนี่แหละเราจะต้องมาขยายความอันนี้เพราะอันนี้คือเนื้อแท้ของพุทธเป็นโลกุตรธรรมก้าก็ดี ขยายผลขยายไปอีกนะขยายไปเป็นโล ก, กุตระสหตอนนี้อัตมาโอ้โหเจอโล ก, กุตระสี่นี่อัตมาสบายเลยจะเอามาเป็นหลักในการเอามาทำงานาศาสนาอธิบายความ ทำไมมนันเพิ่งเจอไมรู้มันน่าจะเจอตั้งนานแล้วแมเพิ่งเจออยู่เล่มไหนนะ31อข้อ420ร้่เวยกันจำเอาขอดูใหม่เอาตรวจสอบให้มันแม่ น, มนแต่น่าจะใช่เพราะว่าอาตมา ก, ก็พอจำได้คร่าวๆสาเข้ขขขอ420อ่ใครโน้ตไว้ก็ได้จะไปเพื่อจะไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปดูก็ได้ ท่านตัดไว้ชัดแล้วท่านขยายไว้ด้วยชัดเจนว่า46มาจากไหน46มาจากโพธิปักเกียรรม37โพธิปักกียรรม37บวกก็ก้าอ้าวเลขคณิตในใจผลลัพธ์เท่าไหร่ก็46นั่นแหละโลกุตรธรรม46เพราะฉย น, นเริ่มต้นทับูใดสมาธิปฏิบัติ ตั้งแต่โพธิปักเ ย, ย่ทำข้อที่หนึ่งพิจารณากายในกายเป็นพิจารณากายในกายสมาริมันคงจะได้อธิบายกายในกายและพิจารณากายในกายในอีกหลายนัด น, นะเพราะว่าคำว่ากายอาตมาก็อธิบายก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่จะเปิดภาคการศึกษา มหาปิชรามนาวาบนิยมเนี่ยอาจาบาก็ อ, าอธิบายมาก่อนแล้วกําลังอธิบายอยู่ก็ยังกําลังโอ้โหมันตอนนี้แหละมาขยายความคําว่า ก, กายถ้าเข้าใจคําว่า ก, กายนี่ไม่ได้ตั้งแต่คําต้นคําแรกคุณเริ่มต้นอะไรไม่ออกเลยคุณจะไปไหนไม่ถูกทางเลยเพราะไม่รู้ว่ า, ามันไปทางไหนไว้โลกุตระเนี่ยอย่างนั้นเลย เพราะถ้าไม่รู้คาว่ากายคำแรกนี่นะหรือรู้ผิดผิดนี่นะก็ก็เดินเข้าป่าไปเลยดีไม่ดีเดินลงเหวเลยเดินลงนรกไปเลยดีไม่ดีถ้าไม่รู้มันเป็นคำแรกของโพธิปททักฏฐธรรมเพราะาจะเป็นโลกุตรธรรมข้อต้นก็คือคำนี้กายในกาย เวธนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสี่คำและก็ต่อไปสิสมประทานสอิทธิบาทสไลไ่ยไปอีกกว่าจะครบ37อินรียห้าพระละหโพชงเจ็ 7, มรรคดกว่าจะไปครบ37ก็จะต้องรู้ทุกๆหัวข้อว่าคืออะไรแล้วจะมี บทบาทลีลาอย่างไรที่เกี่ยว me, พันปฏิสัมพัทธ์อยู่กับองค์รวมของโลกคุรธรรมทั้งหมดมันไม่แยกกันนะจะเป็นโสดาบันก็ต้องมีโพธิปักยิรรมสามจจะเป็นสกิทาคามีก็ต้องมีโพธิปักธรรมสาอ่าฮะไใไม่ใช่4 2่อี่สบ 620อ่เอ้าวทุกคนแก้ตัวสี่เป็นห อ, น 31, อ่าเล่มส1อข้อห20้เท่า37เนี่ยหาร620เนี่ยมันจะได้20่สบหาร620ย่บใช่ไหมเล่มส1็ข้อห2 0อ่บะแล้วทำไมส1อมันหาร 620มันลงตัวเป๊ะเลยมันมีเศษเลยะมันได้20สพอดีเลยนะโลกุตรกะกถา น, านะแ้วงั้นถ้าผุใดมีโลกุตระธรรมสมบูรณ์ครบ46ปิกเบลอเป็นพระอรหันต ผู้นั้นก็คือคนที่สมบูรณ์แบบชีวิตของคนสมบูรณ์แบบเป็นพุทธศาสนิกชนเต็มตัวบรรลุสมบูรณ์สอบได้บรรลุเป็นสุดของคนที่หมดความลึกลับแล้วสูงสุดเรียกว่าอารหันต์สูงสุดอันตะของอรหัไม่ลึกลับ ในผู้ที่ไม่ลึกลับแล้วในความเป็นคนในความเป็นโลกในความจะอยู่กับโลกจิตก็เป็นโลกุตรจิตโลกก็รู้จักโลกเป็นโลกวิทูแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างมีโลกานุกัมปาเป็นคนที่มีประโยชน์อนุเคราะห์โลกอยู่มีชีวิตเป็นอนุเคราะห์โลกเลยพระสถาบันของเราเนี่ย มหา ว, วิชารามของเราเนี่ยจะเป็นสถาบันที่สร้างคนไปรับใช้โลกโลกานุกมปาไม่ใช่เป็นคนไปขูดรีดไปแย่งโลกจะเป็นคนจะไปเกื้อกูลช่วยเหลืออุ้มชูโลกจะต้องสร้างให้เป็นความจริงเป็นความรู้ที่เป็นความจริงเช่นนั้นมันถึงจะเจริญพวกเราได้พวกเราก็จเจริญไปก่อน สังคมเราได้สังคมก็เป็นสังคมอาริยะไปช่วยสังคมเพิ่มเติมขึ้นเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดนะเป็นหมู่บ้านก็ไออม่ใช่หมู่บ้านเป็นสังคมประเทศขึ้นมามันก็จะต้องเป็นเช่นนั้นนะซึ่งอตาตมาก็เคย อธิบายเคยยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านี่เป็นประชาธิปไตยสุดยอดที่สุดสุดยอดที่สุดที่โลกเขาแสวงหาแต่เขายังไม่ได้เขาจึงบอกว่าประชาธิปไตยตอนนี้เชื่อว่าดีที่สุดกว่าระบอบทุกระบอบแต่มันก็ยังมีข้อบอกพร่องไอข้อบอกพร่องมันไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยไม่สุดยอด ไม่ดีที่สุดประชาธิปไตยดีที่สุดจริงๆแต่เขารู้ไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดมันเป็นยังไงดีที่สุดมันเป็นยังไงเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่กล้าเขาก็บอกก็น่าจะมีระบอบอะไรมันเหนือชั้นกับประชาธิปไตยแต่คิดไม่ออกจะไปพูดธุรกิดไม่ออกเลยว่าระบอบประชาธิปไตยสูงสุดคุณยังไม่รู้จักแล้วคุณจะไปคิดออกได้ยังไง ก็ไม่ต้องไประบอบอื่นหรอกระบอบประชาธิปไตยนี่แหละสุดยอดขอให้มันจริงวัดสอดคล้องมันตรงจริงเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดนักประชาธิปไตยเบอร์หนึ่งของจักรวาลไม่ใช่ของโลกนะไม่ใช่ของโลกเท่านั้นนะของจักรวาลนะโลกือื่นก็เหมือนกันโลกอื่นท่านก็เป็นประชาธิปไตยแบบเนี้เหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าโลกลูกไหนอ่ะเทาระบอบนี้ไปใช้เหมือนกันหมดนะ เป็นระบอบที่มีพระหุชนาหิตายพหุชนาสุขายะโลกานุกรรมปายะเป็นสาธารณโภคีทั้งประเทศประเทศไหนทำได้ก็เป็นละเพราะฉะนั้นต่ประเทศหลา ย, ลา ย, ลายประเทศเป็นเครือแห่กันอีกเป็นสหประชาชาติที่เป็นสาธารณโภคีขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยคมาคนนี้เนี่ยรับรองหมดรูปเลย เหลือแต่ประชาธิปไตยที่เหลือต้องพัฒนาประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็ถือว่าพวกยังด้อยพัฒนาประชาธิปไตยของโลกระดับโลกทุกวันนี้ก็ชื่อว่าประชาธิปไตยโลกด้อยพัฒนาแม้คุณจะเป็นมหาอำนาจที่มีเงินมากแล้วก็เบ่งอำนาจอยู่ตลอดไปและก็เป็นนายทุนตัวใหญ่มีอำนาจมากมีเงินมากแล้วก็ เบ่งที่แตกเป็นมหาอำนาจเพราะใหญ่ได้วลาบใหญ่ด้เงินใหญ่ด้วยอำนาจอย่างนั้นอยู่นะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเผด็จการเผด็จการเชิงอำนาจเผด็จการเชิงเงินแต่ประชาธิปไตยจริงนั้นทฤษฎีนั้นมีผู้เป็นประมุขของประเทศกล่าวแล้วต่อประชาคมโลกคือ คิงภูมิพลอดุลยเดชกล่าวแล้วประกาศไปทั่วโลกนอกจากคนไม่ศึกษามูนาตาเรอก็แน่นอนเขาก็ไม่รู้คนไม่ไม่จะปัญญาชนไม่ใช่คนที่รู้จักโลกอะไรแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ในวงการการศึกษาเป็นปัญญาชนเป็นปราบหรือว่าเป็นผู้ที่รู้อะไรดีเขาก็จะได้ยินละ แต่ตมาไม่ใช่ดูถูกเขานะแต่ตมาว่าเขายังไม่รู้หรอกความจริงคืออะไรอย่างไรแค่ไหนเขายังไม่รู้ท่านตราแล้วประเราไม่เอาราลุมรวยมาเอาไม่ใช่ความร่ำรวยเป็นั้งเบงขี้แตกอย่างี่เยาเป็นไม่เอานี่ก็เป็นการชัดเจนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าพระปัญญาที่คุณรอภูมรรมของประมุขของประเทศไทย เป็นนักประชาธิปไตยระดับไหน่ผู้มีภูมิปัญญารู้จึงจะรู้ก็มีพอรู้กันเพราะฉะนั้นสหประชาชาติจึงออกมารับรองมีสิ่งยืนยันรับรองทฤษฎีของท่านเช่นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพีย ง, ยงนี้เป็นต้นก็คือแหเดียวกันเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจนขาดทุนของเราคือกำไรของเราซึ่งเป็นพระราชด âm ราสของประมุขของประเทศไทยทั้งนั้นน่ะที่ว่าไปนี่คือความเป็นพุทธนี่คือความเป็นพุทธเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธธรรมเป็นความรู้ที่มีศีล ศิลปะหรือศาสตร์ก็ตามศาสตร์ก็เข้าขั้นศิลที่เป็นมงคลอนุดมเป็นมงคลอันอุด ม, เ, ม, ดม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้เข้าใจและรู้เลยว่าหลักการทฤษฎี วิธีปฏิบัติเหตุปัจจัยวิธีปฏิบัติแบบพิธีต่างๆอย่างไรท่านก็ตรัสเป็นภาษาเป็นบัญญัติไปหมดแล้วโลกุตระสี่สกนี่ก็ชัดเจนแล้วเพระเาะฉะนั้นก็ผู้ใดเข้าใจผู้ใดรู้ยิ่งผู้ใดปฏิบัติได้มีมรรคผลของ กายในกายมีมรรคผลในเวทนาในเวทนามีมรรคผลของจิตในจิตมีมรรคผลของธรรมในธรรมโดยการปฏิบัติด้วยความภาคเพียรสีภาคเพียรสังวรประทานภาคเพียปรปหารประทานภาคเพียรที่จะกำจัดตัวกิเลสตัวเหตุสมุทรไทยของอาิดียสัตว์ได้ผ้นภาวนาประทาน และรักษาผลเป็นอนุรักษณาประธานยัง27โอ้ไม่ใช่37 37หัวข้อ37หลักมีภาษาประจำบัญญัตหมดเลยเนี่ยอัตมาไม่ได้ท่องใครจําได้หมดมั้ามสิบัญญัตเนี่ยสตรีประธาน4 ส, สมัติประธานไ ม, ไม่ใช่สิบกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธนรนรม สังวนประธานประธานประธานภาวนาประธานนักขณาประธานแล้วก็ชันทวิริยาจิตตวิมังสาในหมดสี่หวาสิริยินสสตินสีสัินสีปัญญินสีภะละก็ห้สัตาพละวิริยาพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละและสุดท้ายก็โพชฌงเจ็สติสติทับสติสัมพชฌง วิ ร, ริวิจัยสัมโพชฌวิยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโช์ปัจิสัมชสมาธิสัมโ พ, ช ง, มพชง์อุออเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วก็มรรคองปดส7มเนี่ยไม่ต้องท่องไล่ไปได้เลยไม่ต้องท่องตั้งเ็นี่ยโอ้โหท่องในหูตูเลยนะถ้าไม่มีหลักในการรู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงมันจะเรียกนี่มันเรียงลำดับด้วยมันสับสนด้วยถ้าท่องไม่รู้จากลำดับมันสับสนกัน คนแตกตายเลยใช่ไหมตั้ง37ข้อนี่คิดดูสิซึ่งมันเป็นระบบระเบียบมันก็มันถูกต้องมันมีลำดับหนึ่งส 7, 8, ส10ี่ปอย่างโยงใยเป็นปฏิสัมพัสธ์กันอยู่หมดเลยแล้วเวลามันทำงานมันก็มีความซับซ้อนปฏิสัมพัสธ์กันอย่างหมุนรอบเชิงซ้อนที่สังเคราะห์สังขารทำงานร่วมกัน อย่างสุดสวยสุดเก่งสุดวิเศษเลย ท, ท่านเอาฐานมรกองค์ดมาเป็นฐานประกาศอริยสัจแล้วท่านก็บอกว่าศาสน า, าพุทธเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติพระเจ้นเมื่ออะไรกันแล้วแต่ถ้าโพธิปักไม่ใชพธิโพธิชงเจ็ดหรือมรกแด เกิดขึ้นในโลกครั้งใด น, นั่นคือพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่อุบัติขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดคือโพชงเกิดเพราะงันการเพี้ยนจากการเกิดของพุทธเจเจ็ดเกเจหลักคือโพชงเจ็ดจึงเพี้ยนไปเป็นการ9ก้าเดินจบจบเก้าที่หนึ่งเกที่สอง เดินไปได้เจ็ดเก้าแล้วทำไมท่าไม่เดินต่อก้าวที่แปดก็ไม่รู้ <c oughs> อัตมาก็เคยถามแล้วก้าวต่อไปเนี่ยท่านเป็นยังไงว่าเดินเก้าถึงเก้าเจ็ดแล้วท่านล้มแหมลงหรือว่านั่งลงหรือว่านอนเลยเดินไม่ได้หรือถอยหลังไม่มีใครตอบอัตมาได้เออไม่มีใครตอบอัตมาได้ว่าเอาแล้วเติมไป7จดเก้าแล้วท่านทาไงอยู่ในอิทธิบทไหน จะทำไงต่อก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วเจก้าวถอยหลังหรือนั่งลงหรือล้มเลยลงนอนยังไงนะอันนั้นมันเป็นการไม่รู้แล้วมันค่อยๆออกนอกนอกภาวะจากคำว่าการก้าวของพุท ธ, ธะแค่นี้แหละไปเอาการก้าวที่เดินย่างยงจงยงย ง, ย ง, ยง แล้วก็เอาโพชชงเจ็หรือการก้าวของพระพุทธเจ้านี่ไปอธิบายว่าพระพุทธเจ้านี่เดินทางไปเผยแพร่เจ็ดทวีปนนท์ไป่นนท์เลยเพราะว่าคําว่าโพดชงแปลว่าการก้าวหน้าก้าวเดินพัฒนาไปด้วย9้าเนี่แหละเป็นสําคัญตั้งแต่สติสัมปติสัมโพดชงวุริยะธรรมวิจยสัมโพดชงวุริยะสัมโพดชงระลายไปเกิดผลเป็นปิติสัมโพดชงเกิดผลเป็นปัสสติสัมโพชด เกิดผลเป็นสมาธิสัมปช ong สุดยอดทรุดจบด้วยอุบเบกขาสัมปช ong มันถ้าเราเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วมันก็ร้อยเดียงกันเป็นลําดับเพราะมันเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของคุณสมบัติเต็มโพมช ong เจ็ดก็ขยายใหญ่ออกมาเป็นโพธิปัฏฐิธรรมเจ็ดช ong เจ็ขยายออกมาเป็นโพธิปัฏฐิธรรมเจข้อก็คือสติปัฏฐานสี อิธิบาตสี่อัศวประธานสี่แล้วก็อธิบาตสีนี่คือสหมวดแรกก็คือสติสัมปชงบุริยาสัมปชงอะไรเสร็จแล้วนี่เป็นตัวปฏิบัติจริงสมอันนี้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สั่งสมลงเป็นปิปติสัมปชงปัจจิตสัมปชงก็คืออินรียห้าพละหนะะั่นแหละส่วนสองข้อหลังนั้นมันมันคนละขั้วกัน โพดชงเจ็ดมันไปเป็นแค่สมาธิขอุเบกขาแต่โพ ธ, โธิปักดีรรมมันเป็นเต็มเลยโพชชงเจ็ดมัดแดมันเป็นโครงสร้างใหญ่แต่ตัวโพชชงมันกลายไปเป็นผลสมาธิแล้วก็เป็นอุเบกขาซึ่งลึกเข้าไปในสมาธิเป็นหัวใจหรือใจกลางตัวจบของ สุดยอดของสมาธิที่เป็นอุเบกขาฐานฐานนิพพานที่มีองค์ธรรมเจ็ดเอ้ยมีองค์ธรรมห้าปริสุทธาปรโยธาตามมทุกกรรมัญญาปัสระรนั่ร น, นะนะและทวทิปักจีทำสาวิจเจนละไว้ในฐานที่เข้าใจ อันนึงคือศีลละวในฐานที่เข้าใจอันนึงคือศีลไม่ได้พูดถึงศีลเลยแต่ศีลนี่ละวในฐานที่เข้าใจธรรมบานของพระเจ้านี่ทิสตีหลักคืน1นศีลแล้วไม่ใช่ศีลหไตรศิขา2จรณะ15วิชา8 3โพธิปักษ์ โพธิปักเกียรธรรม37นี่แหละนี่แหละมรรคแปกก็โพธิปักก็ตามโพธิปักเกยรธรรมสามเจก็ตามมรรคแปก็ตามก็ไม่ได้มีคาว่าศีลมรรคแปกก็ไม่มีคาว่าศีลโพธิปักเกยธรรม37ก็ไม่มีคาว่าศีลแต่ละไม้ในฐานที่เข้าใจไตรสิกขามีศีลจารณะส5มีศีล ขึ้นหัวข้อที่หนึ่งเลยเอาตกลงเรามาเริ่มต้นกันวนะ่าศีลคืออะไรก่อนถ้าไม่รู้จกศีลเป็นคืออะไรและบุคคลไม่เริ่มต้นด้วยศีลที่เป็นบาตรฐานของทุกอย่างจบหรือผู้ใดเข้าใจศีลว่าเป็นของที่จะมาปฏิบัติเป็นเบื้องต้นจริง แต่มันไม่ได้พาบรรลุธรรมหรอกภูณิเจ้งเลยแต่ต้นทางไปนั่งสมาธิโน่นถึงจะพาบรรลุธรรมนี่ท่านเข้าใจกันอย่างนี้แล้วทั่วไปแต่สิ่งก็เป็นการช่วยเพื่อไม่ให้เราผิดวินัยไม่ให้เราไปทำอะไรที่มันเบียดเบียนเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนอื่นทรัพย์ของคนอื่นนะการหรือราข้ก็เบียดเบียนคนอื่นโกหกก็ไม่ดีเบียดเบียนอกุศล ไปเสพไปติกับ ก, กุศลกวาไปเพราะฉะนั้นก็ถือศีนก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันไม่เบียดเบียนตนนี่แหละเป็นตัวหลักถ้าถือศีนแล้วทำให้ศีนเกิดพัฒนาได้เพราะแม้แต่คำว่าศีนเขาก็อธิบายกันว่ามันจะมีอานิสงคือได้ควบคุมกายวาจา กายวาจาเท่านั้นไม่มีคำว่าใจถ้ามาสอบในมหาวิชรามเนี่ยตกได้ศูนย์เพราะหัวใจของศีลมันคือไปหาจิตถ้าศีลไม่ไปเป็นผลของจิตไม่ถือว่าอนิสง์ทำไมพูดอย่างนั้นเอากระบอกยถาตไว้ในกิมมัติยาสูตรพระเตะเปดกเล่ม24ส ข้อหนึ่งก็ข้อ208มันมีอยู่สองสูตรชื่อเดียวกันกิมาทิยาสูตรเหมือนกันข้อหนึ่งก็กิมาทิยาสูตรก็208กับกิมาทิยาสูตรท่านตรัสชัดเจนเลยว่าสีนี่ปฏิบัติแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์ของศีคือหนึ่งอวิปฏิสานแล้วมันกลายกวาราจาที่ไหนแล้วเอาวิปฏิสานข้อหนึ่งทนโทษเลยนะอานิสงส์ข้อที่หนึ่งนะแล ว, ว่าใจใจมันลดเดือดร้อนลงมันไม่เดือดร้อนไปตามลําดับ ลดเดือดร้อนลงเอาอุ๊ยปฏิสารวิปปฏิสารไปว่าเดือดร้อนคําเดือดร้อนนี่มันกินความกว้างเดือดร้อนเพราะคุณมีบทบาทหรือคนมีพฤติกรรมของทางใจอันนี้อยู่และพฤติกรรมทางใจอันเนี้ยของคุณมันพาคุณเดือดร้อนมันพาคุณไปทํากรรมกิริยาอะไรก็ตามแต่คุณก็เป็นธาตตัวนี้อยู่อะ เพราะคุณรู้มันให้ได้แล้วกาจัดมันซะก่อนเหมือนลดละจางกลายได้คุณก็ทำลายเอาวิปิปฏิสาร ล, ลงมาเป็นอวิปฏิสาร ล, ลงมาตามลำดับเหมือนกระจโตบปริญานรจาตัปริยานจิตตัวแรกสราคะสะโทสะสะโมหะก็คือจิตตัวพวกนี้และก็ทำให้มันไม่เป็นสราคะไม่เป็นไม่เป็นสะโทสะสะโมหะ ก็เรียกภาษาว่าวีตราชวีตโทสาวีตโมหะคือต้องทำให้มันไม่เป็นอาการนั้นอีกก็ค่อยๆลดออกมาตามลำดับพระตะมาวุเจ้านั้นเป็นไปตามลำดับค่อยๆจางคลายถึงนิโรธแล้วก็ทำซ้ำทำอีกทำให้มันจนแข็งแรงท้าวสมบูรณ์ไม่ใช่รวบรัดรีบๆทำคำว่าทางสายกลางนี่แหละคือเดินไปตามลาดับ ทางสายกลางเดินไปตามระดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายแต่เขาอธิบายกันอย่างใช้ปฏิพานปัญญาฉลาดไม่เข้าใจก็อธิบายกันไปเละ เ, ลเลทะอันตะพุทธิเข้าใจสาระแท้แล้วก็จะอธิบายรู้ว่าอ๋อนี่อธิบายอธิบายทางสายกลางเป็นอย่างไร เบื้องต้นยังได้ทำกลางอะไรมันปลายอะไรเบื้องต้นก็รู้จักกิเลสตัวกิเลสตัวต้นก่อนมีข้อปฏิบัติลดละกิเลสไปตามเบื้องต้นและละกิเลสเบื้องต้นละกิเลสเบื้องกลางละกิเลสเบื้องปลายไปตามระดับเบื้องต้นทำกลางมันปลายเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายเป็นลําดับนั่นแหละทางสายกลางคุณไปปฏิบัติเบื้องปลายก่อนเบื้องต้นอ้าวมันจะทางสายกลางตรงไหนะ เพราะความหมายที่อธิบายทางสายกลางกันน่ะอัตมาก็ไม่เคยได้ยินใครอธิบายอย่างชัดๆสักทีหนึ่งมีแต่พูดรมๆล้มหลอมล้มรว ม, ร ม, ร ม, รมแล้วก็ล้มรวมว่าทางสายกลางคือว่าจะเาแข่งไปอย่าเบาไปนั่นคือทางสายกลางแอนมันมันไม่ใช่ทางอันนั้นมันคือ การประมาณตนให้มันได้พอเหมาะพอดีกับความพอดีของตนมันไม่ใช่ทางเดินของศาสนาไม่ใช่มรรคองแปดคุณไปจับวเดินทางสายกลางนี่คือมรรคองแปดคุณพูดไปเอาไอ้แผลไปกับแกะไปชนกันเฉยเห็ไหมรายละเอียดพวกนี้มันจะไม่ค่อยตรงกันทีเดียวในอุทเทศในคําขยายความในการอธิบายมันจะไม่ค่อยตรงนี่นาน า, นาสังว่าแล้วมันก็ประพุทธไม่ตรงกัน คําสอนอุทเทะการขยายความไม่ตรงกันกรรมไม่ตรงกันคือการกระทําความประพฤติก็ไม่ตรงกันศีลก็ไม่เสมอสมานกันนาณาสังว่ามันจเป็นอเป็นสัจธรรมมันแยกกันแยกการศึกษาแยกกันปฏิบัติมันก็ต้องแยกกันแยกกันมันก็ต้องเพราะคนละอย่างมันจะไปด้วยกันได้ไงเพราะก็ต่างคนต่างยึดถือหลักของกายหลักของมันเชื่อว่าหลักของกายหลักของมันดีก็ต่างคนต่างทำ ขบุตรจ้าก็มาอยากให้มาทะเลาะกันให้มาแยกกันจนกว่าใครจะเห็นจะรู้ว่าอ๋ออันไหนถูกอันไหนดีก็พลอยเปลี่ยนเปลี่ยนมาหาอันที่ถูกถูกถูกไปถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะไปจมอยู่กันนั่นกันแล้วไปเถอะก็ทำไงได้มึงโง่ตลอดการอ่าโง่ไม่เสร็จโง่ไม่เปลี่ยนแปลงโ <c oughs> ง่ไม่พัฒนาเลยก็จะไปว่าไงได้เนาะ เรื่อคำว่าศีลตอนนี้ต้องอธิบายคำว่าศีล น, นะขึ้นต้นด้วยหลักนี้ก่อนก็ได้ตามกิมมัติยาสูตรนี้ก็ได้ทีนี้คำว่าศีล น, นี่นะก็พอดีท่านใช้คาว่าศีลที่เป็นกุศลอัตามากําลังเข้าอธิบายคำว่ากุศลก็คำว่าบุญคำว่ากุศลเนี่ย นี่แวะออกไปเรื่อยนะไม่เข้าเป่าที่ออกไปตรงไหนกับมุมนั่งกับผักไปมุมนี้เลยสิลงที่เป็นกุศลย่อมยังอรหัตผลโดยลำดับให้บริบูรณ์โดยลำดับนี่เป็นคำสรุปรวมของกิมมัติยสูตรนี่เลยท่านจ่าหัวเวลาสีลอันเป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหัตให้บริบูรณ์โดยลำดับนะอย่างนี้เลยนะ ที่นี้คำว่ากุศลเนี่ยอัตมาก็พยายามอธิบายพวกเราฟังแล้วมันไม่มันนิยามคํานิยามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคนละอย่างกันก็นคนละอย่างกันเกิดคำว่าบุญกับกุศลคนละอย่างกันมันมีคําว่าความดีที่เป็นฐานรวบกันมันเป็นความดีงามแน่นอนละกิเดสได้ ไม่เรียกว่าความดีงามมันไม่ได้หรอกบุญนี่คือการละกิเลสชาระกิเลสได้จริงถูกตัวบาปถูกตัวกิเลสทาให้กิเลสมันลดละจางกลายนั่นนะก็เกิดคํำมาบุญนะแล้วกิเลสในสันดานก็ลดลงลดลงลดลงถูกชําระไปปุญนาติชําระไปให้มันหมดจดให้มันสะอาดให้มันเกลี้ยงอิโซเทติ นั่นบุญจำเพาะเลยคำว่าบุญนี่คือการชำระ ก, กิเลสแต่แน่นอนโดยปริยายใครก็รู้ว่าลดกิเลสได้มันคือความดีงามการลดกิเลสได้เนี่ยไปมันก็พูดกับคนที่มันดักดานโง่เง่ามันเซอรจริงๆอะมันต้องบอกว่าไอ้ลดกิเลสได้มันไม่ไปเห็นคุณงามครับเดียกเป็นความเลว ก็เลิกพูดกันกับคนท่านได้สุขุสนั่แน่นอนเ็ปแปล ว, ว่าความดีกว้างๆรวมหมดและที่สำคัญก็คือคำว่ากุศสนั้นมันสามารถเป็นโลกตรธรรมก็ได้และสามารถถึงที่สุดก็ได้สามารถถึงที่สุดก็ได้บุญมีที่ต้นและมีที่จบจบแล้ว ไม่มีบุญอีกนี่นิยามบุญมีที่ต้นและมีที่จบจบแล้วไม่ต้องมีบุญอีกส่วนกุศลนั้นไม่มีที่ต้นและไม่มีที่จบไม่มีที่ต้นและไม่มีที่จบกุศลนั้น เกิดตรงไหนก็ได an ้และสามารถที่จะให้บุญเข้าไปแทรกอยู่ในกุศลได้บุญเข้าไปแทรกในกุศลได้โดยอนุโลมให้เรียกว่ากุศลได้กุศลเป็นโลกุตระได้เพราะยัางคำว่ากุศลนี้จึงไม่ได้ไปใช้คำบังคับไม่ใช่คำว่าบุญเริ่มต้นตะปิกรยาณุกชนค่อยๆตามลาดับมาจนกว่าจะมาเป็นอริยะ ท่านก็ไม่ว่านี่คือความใจกว้างของพระพุทธเจ้าความใจกว้างของพระพุทธเจ้ามะนกล่าวว่ากุศลในการอธิบายศีลนี้แต่ในคําุคำตัดอีกสิบข้อเนะี่ยเริ่มต้นมันก็โลโกตระแล้วมันคือจิตจิตใจเปลี่ยนแปลงละจิตใจเริ่มรด เริ่มรถทุกอริยสัจความเดือดร้อนน่ะเดือดร้อนใจวิปัิสานี่เดือดร้อนใจไม่ใช่เดือดร้อนกายนะไม่ใช่การเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจวิปัิสารเพราะฉนั้นต้องทําให้อวิปัิสารไม่เดือ ด, ดือดร้อนใจอนนี้ทรงเป็นยังไงปฏิบัติศีลแล้วมันทําให้ลด ควาเดือดร้อนใจอวิปปิสานมาเรื่อยๆจนไม่เดือดร้อนใจเลยก็สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นผลตั้งแต่ต้นตัวแรกเลยอวิปปิสารแล้วมันก็มีตัวข้างเคียงที่ได้ผลคือปามุฉะมันเกิดความชื่นใจดีใจยินดีพอใจเพราะว่าเราลดกิเลสได้มันได้ความจางคลายความลดละลงมาโอ้ชื่นใจ ปิติหรือปาโมจะแล้วก็มาปิติปาโมจะปิติท่านแปลว่าอิ่มใจมันยินดีพอใจที่กิเลสลดเพราะอันนี้ต้องไปขยายความปฏิบัติสีเนี่ยขยายความไปทั้งพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาแล้วก็ต้องรู้เวทนาในเวทนารู้มโนโปวิจารส3มมโนโปวิจาร18กับไม้วิวตวจาร์18 แยกรู้ชัดเลยว่าอย่างใดเป็นเคหะสิตะเวทนาอย่างใดเป็นเนคขมะสิตะเวทนาเพราะเมื่อเนคขมะได้คุณก็จะจึงจะเห็นจริงว่าโอ้จิตของเราได้ผลมีความจางคลายมีความลดละกิเลสจึงจะเกิดปาโมจฉันจึงจะเกิดปีติจึงจะเกิดปัตสัทธิจึงจะเกิดสุขจึงจะเกิดสมาธินี่คืออา น, นิสงค์ของการปฏิบัติศีล มีคำว่าสมาธิยืนยันอยู่เลยว่าปฏิบัติศีลต่งางๆเรามันได้สมาธิจากสมาธิก็ได้ยาถาพูตตยานทัศน์เป็นปัญญาปัญญาระดับยะถาพูตตยานทัศนะด้วยเป็นอภิปัญญาจากนั้นก็เป็นวิมุตตินิพิทาวนนิพิทาภิราค า, ากะวิมุตติ เป็นผลในความคลายเลยคลายจางนิพิทาก็เริ่มแล้วนิพิทาวิราคะก็จางคลายไปแล้วสุดท้ายก็อิมุติยานทศนะที่คืออันนิสงคือผลหรือคือประโยชน์ของการปฏิบัติศีลเพราะนัานทำให้เข้าใจว่าศีลนี้ปฏิบัติถูกต้องคือต้องมีผลถึงใจ มีอานิสงส์มีประโยชน์ต้องที่ใจเป็นหลักไม่ใช่ที่กายและวาจาตามที่สอนกันอยู่เรียนกันอยู่เพราะความเข้าใจผิดว่าศีลไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นตามกิมัติยาสุตรตามพ ร, พระพุทธวจนะเนี่ยไปเข้าใจเอาเองว่าศีลจริงมีคํากล่าวว่ากาควบคุมนะสังวรประทานก็ควบคุมกายกับวาจาก็ใช่แต่ประหารไม่ได้ประหารกายกประหารวาจานี่หว่า สมาทานสี่มันประหารจิตตั้งหางเราประหารอากุศลจิตประหารกิเลสตั้งหากเนาะสมาทานสี่เขาก็ไปไม่ออกเขาก็ขยายความต่อไม่ได้นะจึงมันมีตัวเริ่มต้นนะมีตัวเริ่มต้นตั้งแต่นมัตระวังกายวาจาแล้วเขาก็าจบจบอยู่แค่นี้เพราะไปเข้าใจว่าสมาธินี่ต้องไปทำสมาธิ ต้องไปมีวิธีทำสมาธิโดยไม่เข้าใจว่าไอ้เดินยืนนั่งนอนนั่นแหละกายขตาสตินั่นแหละมีสติปัฏฐานสีมีสรวมอินทรีย์นั่นแหล ะ, ะ, าหละกาลังสร้างสมาธิด้วยหลักมรรคองแปดมีทุกกรรมกริยาเลยดํางานอาชีพอยู่มีกรรมมันตะการกระทํากริยาทุกกรรมกายกรรมวจีกรรมโนกรรมกรรมมันตะทั้งวาจาทั้งจิตแน่นอน มัรองแปดก็ครบยืนยันชัดเจนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปหยุดไม่ได้ไปดับหยุดทำงานอาชีพหยุดกายวาจาอยู่แต่ใจแล้วก็จะสร้างสมาธินะมันไม่ใช่มันก็ละเรื่องกันเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจศีลก็ไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูก ความรู้ที่เป็นปริยัติมันก็ไม่ถูกไปปฏิบัติมันก็ไม่ถูกปฏิเวทมันก็ทะลุหลุมนรกไปมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้าผลมันไม่เข้าทางมันไม่เข้าสมาธิใดๆนะนี่คร่าวๆนะ่ะอัตมาเคลือน้นต้นก่อนก็อธิบายในรายละเอียดไปลำตามลำดับตั้งแต่ โลกุตระหนึ่งกายในกายอย่างไรเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทำอย่างไรแล้วก็อธิบายให้เป็นอง์รวมว่ากายเวทนาจิตธรรมมันไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกกันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันไปในตัวนะไม่ค่อยอธิบายนะก็ขอ พักตรงนี้ไว้ก่อนว่าศาสนาพุทธนั้ น, นขยายความพุทธชีวศิลป์ไปแล้วขยายตัวทางปฏิบัติเนื้อแท้ของศาสนาพุทธไปบ้างแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงองค์ประโยชน์องค์คุณของการมีพุทธศาสนามีพุทธธรรม ให้แก่ชีวิตจนเป็นแต่ละชีวิตรวมกันเขาเป็นกลุ่มสังคมเขาเป็นกลุ่มมวลมนุษยชาติจะกลุ่มเล็กกอบดก็มีคุณสมบัติของมันยิ่งเป็นกลุ่มโตก็ยิ่งมีคุณนินทิมีคุณราศีที่ชัดเจนเป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณธรรมขั้นคุณวิเศษ ส่วนจะมีดิกรีการเจริญจเจริญทั้งคุณเน้นนที่คุณราศีจเจริญยังไงคุณธรรมคุณวิเศษจเจริญยังไงเป็นคุณภาวะหรือคุณภาพอย่างไรก็พูดศึกษาจริงมีจริงเองจะรู้คุณวิเศษเหล่านั้นเองอและมันจะเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์อย่างไร คุณประโยชน์ก็เป็นคุณประโยชน์ถ้าเป็นคุณประโยชน์ตนก็พุทธศาสนาก็ทำให้กิเลสเราลดและกิเลสเราลดศาสนาพุทธกิเลสลดนั้นจิตก็จะเป็นโลกุตรจิตขึ้นตามลําดับโดยการรู้จากโลกโลกที่รู้กันแรกๆ ก, ก็โลกอบายดับเหตุแห่งโลกอบายก็เข้าใจเป็นโลกวิูระดับที่น การรู้จักโลกระดับที่หนึ่งบางเขาอธิบายกันกลายเป็นว่าถ้าโลกวิถูแล้วมันของพระพุทธเจ้าอย่าเอามากล่าวบางอาจเอาโลกวิถูไม่ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวต้นนั้นนะ่ะรู้จักโลกเพราะเขาไม่เข้าใจโลกนี่แหละต้องศึกษาตั้งแต่คําว่าโลกสมุทยัยแล้วทําให้โลกสมุทยัยทําสมุทยัยของมันให้ดับจึงจะเป็นโลกนิโรธ จึงจะได้เข้าใจคำว่ามีกับไม่มีอย่างแท้จริงตามที่เคยเคยพูดถึงมาก่อนแล้วคำว่ามีกับไม่มีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ก็อาศัยสิ่งสองอย่างนี่แหละคือความมีกับความไม่มีนี่แหละยังนี้เป็นตน้นพระตถาคตธรร16ิกข้อ43่าทักจำแม่นะแต่ก่อนนี่ไปจำมาข้อ47่อ่ อีกหน่อยอาตมาเนี่โอ้โหสอนพวกคุณนี่ทําให้อาตมานี่กลายเป็นศิลปาจานไปเลยๆจริงๆนะเนี่ยพออาตมาจะจํำพวกนี้ได้อย่างขึ้นเลยใช่ไหมเพราะมันต้องเอามาใช่ก็เลยต้องต้องบังคับตัวเองจำหน่อยมันก็จะจําได้เอามาใช้ก็จะจำแต่ไม่ต้องทนะ่องหรอกอาตมาไม่ต้องดูหน่อยดูอาจจะจําล้วเจตนาเออย่างงี้จําหน่อ ย, อยแต่อาตมามีสภาวะแล้วก็แปะเข้าไปปรับโอ้โหกาวก็คนค้างดี แปะปั๊บติดปุ๊บกาวค่อนข้างดีไม่ใช่แปะแล้วก็หลุดออกต้องมาแปะโอ้ยกาวไม่พอแปะอีกแปะอีกแปะไปมากไปเอ้าฉํำเกินไปหลุดอีกอันนี้แวะไปเรื่อย พรางงานการที่รู้จักโลกเป็นโลกวิทูนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นศาสนาพุทธทุกคนเรียนรู้จักโลกโลกคือโลกียะโลกนีโลกิยะนี่แหละเรียนรู้โลกเพราะฉะนั้นโลกียะระดับต่ำเลยว่าอบายะโลกหรืออบายะโลกียะเนี่ยก็ต้องรู้เหตุมันว่าเราไปติดจริงอย่างนี้ขนาดนี้อบายของใครอบายของมันของใครของมัน เราเนี่อันนี้เราต่ําเราไม่ได้เคยต่ำกว่านี้เลยแล้วอื่ น, นๆเราก็เฉยเราก็ไม่ไปกระดี่กระดาเราก็ไม่ไปทําอะไรมากมายชาติชั่วของเราไม่ไปชั่วเกินกว่า น, นี้อาอตมาก็มีความเป็นชาติชั่วของอาตมาตามที่อาตมาเคยเล่าสู่ฟังคนอื่นก็บอกมันจะชั่วอะไรไปอย่างนี้เอา้าวก็มันชั่วที่อาตมาต้องเลิกอะไม่ชั่วอาตมาจะเลิกมันมาทําไมคุณว่ายังไม่ชั่วค ก, ก็เป็นอยู่เหระ ติดลาบติดยอดอยู่อาตมาว่าชั่วติดยังไม่ต้องไปเอาเปรียบเอาละเดินไปได้เปรียบได้อะไรเขาอยู่อตาตมามันชั่วยังไปตุกติกเขาบ้างอย่างนี้อาตมาก็เคยตุกติกเขาเหมือนกันนะว่ามันเป็นนะแม้อาตมาจะไม่ขี่โกงโ ต, ต๊ะตำเต็มรูปเต็ม ร, รําอะไรก็แล้วแต่เคยตุกติกเขาก็ใช้ความเฉลียวฉลาดว่าเราอย่างนี้เราได้เปรียบก็ยังมีอยู่นะไม่เคยทาํามาทําได้สําเร็จมาด้วยเคยสําเร็จมาเป็นบาปกะปิกระปลอยที่มันเป็นดาบาปโดยไม่รู้ ไม่รู้ในทันมันก็เป็นภาวะซับซ้อนที่เป็นภาวะกลับไปกลับมามันก็มีบ้างแต่ดีมันมีคุ้มก็ยังพอสมควรถ้าดีไม่มีคุ้ ม, มกุศลไม่พอนะโอ้ขาดทุนจับเยินเลย <c oughs> เพราะหนึ่งสร้างโลกกุตรจิตให้จิตมันมีความเป็นจิตเหนือเหนือโลกแรกๆก็โลกอบาย ก็เป็นโลกาวิทูรู้จักโลกไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่ไม่ได้ศึกษาโลกเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็มันวนเวียนอยู่เนี่ยเสพติดอยู่แม้จะพักเวลานานแล้วก็วนไปเสพก็ตามคุณติดคุณวนคุณไม่ได้ขาดคุณไม่ได้ดับคุณไม่ได้ทำให้มันตั้งใจทำให้มันออกทำให้มันดับเป็นลาดับลาดับมันก็ไม่ไ ม, ไม่ได้ทามันก็ไม่มากผลเพราะ พอทำได้แล้วรู้จักโลกเท่าทันโลกดับเหตุโลกสมุทัยอันนี้ได้แล้วเป็นโลกนิโรธอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่มีในความเป็นโลกนี่แหละเป็นผู้ไม่มีเพราะเป็นอมตะบุคคลหลุดพ้นแล้วจากโลกนั้นจึงมีโลกนั้นได้จึงอยู่กับโลกนั้นได้เพราะรู้จากโลก อยู่เหนือโลกรู้เท่าทันโลกและยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกื้อกูลโลกโลกานนกัมปาอีกด้วยนี่คือตรีลักษณ์ของศาสนาพุทธที่จตมายิบมารวมเป็นกลุ่มเอาไว้ให้ชัดจนสร้างพระลวพ่อพุทธาพิธธรรมนิมิต หรือหลงหลวงพ่อพุทธโตนิกเนมว่าพุทธโตมีลักษณะยืนยันตรีลักผู้ที่มีคุณสมบัติตรีลักได้จริงนั่นแหละเป็นผู้ครบเพราะศาสนาพุทธจึงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโลกานุกรรมปาเป็นประโยชน์ท่านโลกุตต ร, รจิตเป็นประโยชน์ตนที่จบโลกววทูเป็นตัวใช้ ก็อยู่กับโลกเพราะเรารู้แล้วโลกแล้วเราก็อยู่เนือโลกไปจนเป็นโซดาเราก็ช่วยคนอื่นโซดาได้มีคุณธรนสมควรก่อนได้พร่ำสอนผู้อื่นโลกก็ไม่มหมองาศาสนาก็ไม่มหมองจักไม่มวหมองก็เป็นพุทธธรรมถูกต้องตามพระพุทธวจนะทั้งนั้น mm hmm. พระญาติอาตมาอธิบายแม้แต่คําว่าโลกุตตรจิตโล ก, กวิถีแม้แต่คําว่าตรัสรู้เขาก็บอกว่าตรัสรู้ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนธรรมดาตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้มาจากอะไรเขาก็ไม่รู้ตรัสรู้มาจากคําว่าตรัสกับรู้ตรัสนั้นเป็นคําใช้กับพระพุทธเจ้า รู้น่ใช้กับคำทนทุกคนเรารู้ตามคำตรัสสอนของพระเจ้าไงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จนแทงทะลุรู้จบรู้ว่ามีนิโรธแล้วรู้ว่าจบแล้วกิจตรงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสทั้งนั้นในกตรวจสอบได้มีหลักเกณฑ์ให้ตรวจสอบด้วยจึงเป็นผู้ที่ รู้ตามคำตรัพย์พพุทธเจ้าตามพระอนุสาสนีตามพรวจนะเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยตรงเป๋งเลยไม่ใช่ตรงเป๋ไม่ใช่ตรงเป๋งเลยตรงเป๊ะเลยซอนอย่างสนิทเลยในความเป็นจริงของสัจ ธ, ธรรมคือไม่ผ่านเหมือนกันหมดไม่มีส่วนเหลือ จึงเรียกว่าหมดสิ้นสภาพที่มันมีเหลื่อมเหลือหรือเชื้อเหลือหรือเหตุเหลือไม่มีแล้วทบหมดไม่มีโอ e ว l a p ลเต็มเลยซ้อนเต็มเลยเพอเราปฏิบัติทำกันไปไเรื่อยก็จะเริ่มได้สภาพซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปจนกระทั่งซ้อนเต็ม ซอนกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้สัจจะเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนื้อหาของการได้เราก็จะรู้เลยว่าส่วนโลกุตระส่วนโลกียะส่วนเคหะสิตะส่วนเนคขมะไออันที่เป็นอินเตอร์เซ็กมอนวงกลมสองวงมันซ้อนกันได้เข้ามาก็ค่อยกินเข้าไปเรื่อยๆเหมือนลาหูอมจันเนกินเข้าไปเรื่อยๆส่วนอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ ตัดกันเนี่ยตัดข้ามาเรื่อยๆมาข้ามาเรื่อยๆก็สู่เรื่อยๆสูงไ้ๆๆจนกระทั่งเต็มครบเลยตรวจสอบมันอินเทอร์เซ็ก์นี่มันเต็มละเหลือสิ่งที่จะยังแลบยังเหลี่ยมยังเหลื่อมยังไม่ซ้อนเต็มยังไม่อะไรเป็นยังมีโอเวอร์แลปอีกเท่าไหร่ยังมีอัตมาก็พยายามคิดหาคำภาษาไทยนะว่าไอโอเวอร์แลปก็ อินเตอร์เนี่มันจะใช้ภาษาไทยไว้นั่นแหละมันก็เลื่ยมซ่อนมันจะไปรู้ความอะไรก็เลื่อมซ้อนแล้วมันคืออะไรมันต้องขยายความคือมันมันทับกันซ้อนแล้วแต่มันมีอะไรที่มันยังแ็บๆเรียๆมันยังหลงๆปบบปรับอยู่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ไม่สนิทน่ยตาหูอมจันทร์มันยังไม่มิดสนิทเลยอ่ะมันยังมีอะไร เป็นราศีเป็นรังศีเป็น o อ e r l a p อยู่นะมันเต็มอินเอร์เซ็กและแต่ว่ามันมันยังมี Overlap และธรมดาอินเทอรเซ็กสอีเซชันั่นแหละเซกเซกนึ่งกห SE, น, น, นึง xt, น่งส่วนหนึ่งส่วน S. ECT, Inter SNC e ECT. มล้วการปฏิบัติธรรมก็คือขึ้นในกระดาษเป็นตามลำดับมาเรื่อยๆอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งจริงๆแล้วการตรวจโอเวอร์แล็นี่คืออะรูปประชานโอเวอร์แล็นี่คืออะรูปประชานการตรวจสอบตรวจแล้วก็กำจัดสิ่งที่เหลือให้หมด อากาส า, า, า, านินจาวิญญาณัญจาอกินจัญญาเชตุะจนกระทั่งหมดเกลี้ยงกําหนดรู้ชัดหมดเหลือไม่เหลือส่วนรู้เศษไม่มีอะไรเหลืออีกทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันสมบูรณ์แบบนิโรธดับสนิทไม่มีส่วนเศษไม่มีส่วนเหลือไม่มีอะไรอีกเลยบริบูรณ์สนิทนะ นี่คือการปฏิบัติแล้วเราก็สามารถที่นี่ไปพูดเป็นภาษารูปธรรมแต่เวลาคุณปฏิบัติมันไม่มีรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเป็นนามรูปแต่มันเป็นอาการลิงขะนิมิตอุเทศมันเป็นอาการของนามธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะรู้องรวม องร์รวมเรียกว่ากายดรวยองค์ประชุมหรือองค์ประกอบมันรวมทั้งหมดในจิตของเรามืสังขารก็เข้าเป็นกลุ่มปั๊บคนเริ่มเรียนก็เริ่มเรียนสังขารอวิชชานี่มีสังขารเป็นปัจจัยให้เรียนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรียนพระคุณก็ต้องเริ่มเรียนตั้งกายสังขารจิตสังขารกายสังขารปร จ, ารจิตสังขารจิตสังขาร มันหมายเอาอยัางไงกายสังขารจิตวจีสังขารจิตสังขารมันเป็นยังไงเพราะมันจะซับซ้อนดังนั้นเด็กเขาเคยย้ายความถึงสังขารต่อไปวันต่อไปก่อน่อว่ากันวันนี้พูดกว้างๆผมนี้ก่อนวุฒน้นอันนั้นอันนี้นนนนเป็นพื้นฐานเป็นภาษาหลักภาษาใหญ่ๆ ใ, ใ, ใหญ่ไปก่อ น, น เราได้คุยกันตกลงกันว่าเราจะบรรยายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งให้มาสรุปแล้วก็ให้มาวิเคราะห์วิจัยซักไซไลเลียงกันใช่ไหมอ่าเราตกลงกันว่างั้นนี่เริมไปเริมมนี่มันทุ่มครึ่งไปละจะเกือบครึ่งละเกือบอะอะไรนะ เอากรณีเรียนค่ะอาตมาเรียน อ, อ่ะฮะโอ้ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยอาตมาก็ยังไม่ได้บอกสมณะด้วยไม่ได้บอกอะไรโดยให้ช่วยมานั่งแล้วก็ดูช่วยกันรวบรวมช่วยกันเรียบเรียงช่วยกันสรุปรวมอาตมาว่าวิธีการเรียนแบบนี้จะดีเฉยๆอาตมาก็บรรยายไปชั่วโมงหนึ่งพวกเราก็ช่วยกันทั้งครุชาญครุวิทย์มาด้วย ช่วยฟังช่วยดูแล้วก็นักศึกษาฟังแล้วก็อธิบายกันไปอะไรไปมีเคาะวิจัยกันไปไทยถามกันไปมันจะสมบูรณ์ไม่ต้องไปทำการบ้านไงอย่างที่เราพูดกันนะไม่ต้องไปทำการบ้านจบไปในตัวแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ใช่อย่างนี้มันก็จบไปในตัวเลยมันจะชัดเจนมันจะไม่หลงไม่เหลือไม่หลุดไม่อะไรเลยมัน อยู่ในนี้เราพูดอะไรก็พอนึกในทันทียังมาทั้งนั้นคนนี้พอจากันได้หมดก็ทํากันได้เลย น, นี่เราเหลือครึ่งชั่วโมงกว่าหน่อยๆอก็เอาครึ่งชั่วโมงลองดูก็แล้วกันอัตมาอธิบายอ ก, กองอธิบายได้ไม่ไรเราโถอธิบายมาสี่สิกว่าปีแล้วมันจะมีปัญหาอะไร <laughs> อธิบายต่อไปอีกใครจะตายก่อนกัน <laughs> พ่อครูค ะ, อะขอโอกาสค่ ะ, ะมีมีคนเสนอว่าวันนี้ก็ให้พ่อครูเต็มสองชั่วโมงเลยคะ่ะเอาเอาไปเอามาแลยครับ <c oughs> คื อ, ค, อคือว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดนะคะ <c oughs> เป็นวันวั น, นหยุดในเสียอัตมาก็ยังว่าวันนี้ไม่สอนทําไมมาตั้งหลักแล้วก็มาบอกอัตมา ด, ดีว่าอัตมาไ ม, ไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรอันนี้ค่ะตา ม, <c oughs> ต, ามตามตารางเรียนที่นําเสนอให้ พ่อครูดูนะคะจะมีวันตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์ยกเว้นวันจันทร์แต่วันนี้เกิดเหตุอะไรก็ไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบแล้วก็ประกาศเรียนก็พากันมาเรียนกันเลยบอกว่าวันหยุดแต่ให้อัตมามาสอนเออมันก็แปลกดีนะวันนี้ไม่ใช่วันเรียนนะแต่ว่าโพธิรักษ์สอนวันนี้ไม่ใช่วันเรียนหรอกแต่โพธิรักษ์สอนแล้วก็มีผู้มานั่งเรียนด้วยนะ ไม่ใจ่วันเรียนแต่ไม่ผู้มานั่งเรียนเขาเาโอกาสค่ะเขาโอกาสนะค ะ, ะผู้ทำตารางเรียนกับผู้ผู้เรียนนี่คงเข้าใจไม่ตรงกันหรือเปล่านะคะตามที่พูดกันเมนื่อวานนี้บอกว่าวันอาทิตย์นั้นจะเป็นวันที่พ่อครูต้องขึ้นเวทีจะต้องอไปทั่วโลกอะไรนะ่ะนะคะอันนั้ น, น, นค่ะ เพรานั้นเราจะต้องเรียนก้าวมงวิทยาลัยธรรมจันอาคารพูดพฤหัสอะไรเนี่ยไปจนถึงให้ได้ครบหกวันวันจันวันจันไปถึงวันเสาร์ก็หแต่ทีนี้บอกว่าวันจันทร์พวกคุณจะหยุดหยุดก็เหลือห้าก็ทีนี้วันอาทิตย์นั่นแหละจะเอาไม่เอาแตมาก็ยังไม่รู้ทีนี้แตมาก็ยังคิดว่าอะยังไงยังไงก็อาจจะมามันยังเขียนหนังสือไม่ได้ทักหร่เลยตอนเนี้ย เดี๋ยวมันจะไม่ทันมันจะไปเร่งมันจะไปเหนื่อยตอนตอน้นขอขอากาศอีกรอบค่ ะ, คะจะชี้แจงเรื่องตารางพอดีว่าวันอาทิตย์นี้ที่พ่อครูจะได้เทศตอนช่วง9โมงเชา้านั่นคือหมายถึงว่าเราได้เปิด <c oughs> โทรทัศน์อย่างเป็นทางการแต่ถ้าไม่ได้เปิดก็คือสอนตอนเย็นอันนี้คือตามที่อโมแจ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเลิกจะได้แจ้งเรื่องตารางเรียนอีกรอบนะคะ เพราะว่าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้หัวหน้าดูเธอไม่มีปัญหาอะไรห ร, รอกอาตมายังไงก็ได้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรถึงสอนยังไงก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วไม่สอนก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา <c oughs> อาตมาก็มีงานทําด้วยนะไม่สอนก็มีงานทําจะทําไม่ทันอยู่ดี่แต่เธอก็จะคงจะทําแล้วว่าอีกตั้งโนะ่นนะกัญญาอาตมาจะท่งหมดต้นฉบับฉะนั้นถ้าหากว่าสัปดาห์นี้ พ่อครูน่าจะได้หยุดวันอาทิตย์สิคะเพราะวันนี้วันจันทร์พ่อครูมาแล้วหนึ่งชั่วโมงถูกไหมคะแม่เอาเถอะอระนี่ไปทำความเข้าใจกันอ่าอาว่าไงสมณะจะช่วยสรุปไหมแมงไม่เก่งก็เอาสมณะสรุปก่อนก็ได้ถ้าสมณะสรุปมาแล้วก็อยากจะให้ มีคำใครพร้อมที่อยากมีคาถามได้ไหมนม่ท่านใดจะถามค่ะใครจะถามอ๋อมีมีเลือกแทรกมาอ่าอาตมาก็ได้รับข้อมูลมาว่ามีคนชักจะเอ่อเฟืองๆขึ้นมาก็เลยบอกว่าขอซื้อเดี๋ยวจะต้องลาย พอซื้อเครื่องมือไว้เพื่อลายจะได้เร็วขึ้นอัตมาฟังแล้วก็เออแมคิดก้าวหน้าเหลือเกินนะก้าวหน้าเกินที่อัตมาจะอนุมัติไมช่างคิดจริงๆตรตอบตรงๆเลยว่าอัตมาเองฟังแล้วในรู้สึกว่าออัตมาว่าผู้คิดนี่นะมันไม่รู้ถึงโทษภัยและสิ่งเหล่านี้หรืออย่างไร ไว้ใจตัวเองเกินไปหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นามากกว่ า, าขนาดของเด็กนักเรียนนี่ตั้งโรงเรียนมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ต้นจนป่านนี้ไม่ยอมไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มือถือประจำตัว นี่ก็เหมือนกันจะาลายจะอะไรส่วนตัวอะไรแต่พวกนี้เนี่ยอาตมาก็ว่ามันไม่ดีหรอกนะมันไม่ขนขวายมันจะมักง่ายไอ้เครื่องมือพวกนี้มันทำให้คนมักง่ายมากและนอกจากมักง่ายแล้วมีตัวผีที่อยู่ข้างเคียงมากเกินกว่าที่เราจะควบคุมนะมันอไม่ได้อีกน้ยอาตมาไม่ต้องสอนเราทุกคนก็อยู่กันเนี่ย จริงเดี๋ยวนี้มาทั้งนั้นเลยเนี่ยไปไหนๆเดินก็จะชนกันตายมัเดิๆๆๆแต่ก่อนนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเดินพูดใจหูแล้วก็พูดเดินพูดไปมองนี่เฮ้ยมันบ้าป่ า, ปามันมีไอ ห, หูฟังแล้วมันก็พูดพูดอย่คนเดียวเดินไปพูดไอเดี๋ยวนี้ไม่แต่พูดแล้วดูจ้องอยู่นี่เดินจะชนตายจะอะไรตาย นั่งอยู่ตัวนี้ก็อยู่เนี่ยไม่เงยหัวเงยหัวดูใครอยู่ตรงเนี้ยมันเสพติดมันไปกันใหญ่แล้วมันมีคุณประโยชน์แต่มันมีโทษเหลือหลายและอาตมาว่ามันเป็นการมักง่ายมันไม่ขนขวายอะไรหลายอย่างเลยมันมีโทษภัยมันอาตมาไม่อยากจะพูดมากพูเจ้าขอประเด็จการนะมาไม่อนุญาตลายเลยอะไรเนี่ยไม่ต้องหรอก อย่าเลยอย่าไปนั่นเลยจะใช้ก็พอทำนาอะไรอะไรไปบ้างที่เร า, เ อ, าอาศัยเครื่องมือที่อันไรจำเป็นอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันไม่จำเป็นอะไรก็กล้วยช่วยตัวเองหน่อยทำให้มันพอเป็นไปให้มันได้มันไม่เด็กนาสาหัสอะไรเกินไปแล้วน่าอันนี้ก็ตอบเป็นประเด็นมาถึงอาตมาแต่อาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดพอดีท่านเตือนขึ้นมาอาว่าไงท่านจะ สรุปวิเคราะห์วิจัยอะไรไหมท่านสมณะศิรมาศครับอ้าวทำสมณะว่งไงอ้าวโยนกันไปโยนกันมานี่มันหมดเวลาไปห้าหนาทีแล้วย่าไปเคาะมากแล้วไมโครโฟนใช้ปากเป่าก็ได้ส่วนคุณเน่เคยน่สุแดนทาก็เขาชอบอย่างเงี้ยก็ดีแล้วล่ะดีกว่าไปเคาะอ่ะ เขาเขาจะเทสแทนที่เขาเทแบบนี้ดูได้ตามอะไรเขาชอบมันก็ดีมันก็ใช้ได้ไปข้อข้อนีมันเกิดความสั่มสะเทือนไอเซนสติฟไอกล้มือมันมีข้างในมันสะเทือนมันไม่ดีมันฉารุดเอาว่าไงทําไมกระโยนมาฝั่งนี้จิงกระมาศ มีมีคําถามจากศิกรมาสไหมท้งนั้นอาถามต่อตอบคาถามเมื่อกี้นะครับพ่ะครูครับคืออย่างลายเนี่ยมันจะมีคนที่มีอยู่แล้วในกลุ่มเนี่ยฮะอย่างนี้เมื่อกี้พรอครัวแม่อนมัตเนี่ยแต่แต่คิดว่าในในกลุ่มเนี่ยคนทีน่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ยฮะก็ยังไงฮะจะให้งดไหมฮะ พวกที่มีอยู่แล้วก็สงวนสงวนก็สงวนคนไม่มีก็อย่าไปค้นควายขึ้นมามีคนมีแล้วก็สงวนก็รู้ทิศทางเราเป็นผู้ที่นักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนที่มันใครอายุต่างกว่ายี่สิบบ้างยกมือไม่มีนิสิตทีนี้อายุต่างกว่า20บไม่มีใครอายุต่างกว่าสามสิบยกมือ ยังไม่มีเลยตามกว่าสิบยังไม่มีเลยคิดดูสิแล้วจะเอาอยัางไงกันอีก <c oughs> อมันมีวุฒิภาวะกันพอแล้วก็องทัพบกตารวจเขาเข้าใจเหตุผล <c oughs> เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ <c oughs> ไม่น่า <c oughs> จะมีปัญาอย่างมีแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะบางทีมันจะต้องมีการโทรศัพท์แล้วก็มันมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมในก็จ่ายของใครของมันของเขามีอยู่แล้วเขาก็จ่ายของเขาอยู่แล้วจะไปว่าอะไรเราแต่คนที่ใหม่ก็ไม่ต้องไปหาค่าใช้จ่ายมาเพิ่มเขาก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเข้าไปใช่ไหมครับไม่เอาไม้าวไม่ได้ออกให้เองนะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คุณจะมีของคุณน่ะอก็ที่นี่เขาเราไม่ได้เอกระดาษสมุดดินสออะไรก็พอจ่ายไอ้นี่ไม่จ่ายเราเกินขอบเขตห้ามด้วยแล้วจะไปจ่ายให้เงินนี่อีกแล้วคัน กระจายส่วนตัวสินอกจากกรจายส่วนตัวเราสงวอรมั่งด้วยระวังมันจะเฟอร์มันจะคืแล้วจะมีวิธีภาคปฏิบัติยังไงฮะคืออย่างพวกที่มีเนี่ยเขาก็จะมีอาจจะมีไซส์ลายด้วยนะฮะบางทีมันไม่ลายตรงนั่นแหละถ้าส่อวอนไงก็บอกแล้วว่าบทที่ภาวะครับโตขนาดนี้เนี่ยถามแล้วเนี่ยดูที่นี่ยังไม่มีใครต่ำกว่าสามสิบเลยสามสิบขึ้นไปแล้ว ถ้าจำนวนตะพูดถ่าก็บอกหมาเรียตูวไปถึงกันแล้วอ้าว อ, อะไรอีกอใครจะมีคําถามต่อข อ, ขออนุ ญ, ญาตกับพ่อท่านครับอ้าวว่าไปผมพิทยานะครับแล้วขออนุ ญ, ญาตสำมมนะแล้วก็ท่านสิกมาดด้วยนะครับก็วันนี้นของโลกเออยกมือหน่อยออวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่พ่อท่าน เปิดสักกาดให้พวกเรานะครับแล้วก็ทิ้งเวลาให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมขออนุ ญ, ญาตาสรุปนํากันล้กันนะครับว่าสิ่งที่พ่อท่านเทศมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยกันวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยนะครั บ, รบได้วิพากษ์วิจารนั่นแหละดี ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับวันนี้พ่อท่านก็พูดเรื่องของพุทธชีวศิลป์นะครับคือการใช้ชีวิตแบบพุทธอย่างมีศิลปะนะครับแล้วก็พูดถึงผมผมขอสรุปเลยนะครับว่าคร่าวๆ เ, เอานะครับว่าโลกุตตะเนี่ยพ่อท่านพูดถึง9ระดับนะครับก็คือตั้งแต่โสดามัคโสดาผลสกิทาคามัคสกิทาคามีผลนะครับอนาคาจนกระทั่ง นิพพานนะครับคือคือวันนี้พอท่านพูดเนื้อหาครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงไปพูดถึงมรรคมีองแปดนะครับไตรสิกขาจตนสิบโพธิปัจจียธรรม37นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เรื่องที่น่าสนใจคือโพชงเจ็นะครับแล้วก็แยกประเด็นออกไปสู่โพธิปัจจียธรรมตรงนี้เนี่ย ผมผมสนใจอยากจะฟังนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับคิดว่าวันต่อตอไปเนี่ยเพราะท่านคงจะขยายเรื่องแบบนี้เพิมขยายนแน่นอนนะครับโพ<ป>ธ<ล>ิปคีรยธรรมสามสนั่นแหละคือหลักปฏิบัติทั้งหมดของาศาสนาพุทธใครไม่รู้จากโพธิปัคีรยธรรมสามสแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นอย่างที่โพธิปคีรยธรรมะระบุไว้เช่นคุณจะต้องปฏิบัติสติปัฐานสี่เป็น ทุกวันนี้ปฏิบัติสติประทาสี่กันไม่เป็นขอพูดอย่างนั้นอาจจะสมประทานสี่สังวรสํารวมประหารอะไรตามภาษาที่ประหารของตนเองอ่ะประหารเนี่ยพวกสายใจโตกับประหารเวลาลืมตาไม่เป็นหรอกก็เป็นสังวรอินทรีย์ก็เป็นหลับตาหลับหูอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่สมถะลืมตาก็ลืมตาใช้สติสังวรประทานประหารประทานก็ประหารก็คือสมถะลืมตานั่นแหละอะไรอย่างนี้เป็นต้น รู้รนิ่งเฉยอะไรเงี้ยเพราะงั้นจะต้องรู้เข้าใจหมดเลยพวกนี้แล้วปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตรงตามโพธิปักธีธรรมสาบดไม่ได้ปฏิบัติตรงตามสติปฐานสี่สมปทานสี่ซึ่งใช้อิธิบาอิธิบาสสี่นี่เป็นตัวพลังพลังพลังเป็นต้นกลสติปทานนี่เป็นต้นหนน สตินี่เป็นต้นผลพลังวิริยะเนี่เป็นต้นกลก็เสริมหนุนกบปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะเกิดผลสั่งสมลงเป็นอินทรีห้าพละห้านั่ น, เ ป, นเป็นผลจริงๆล้วเกิดอินทรีห้าพละห้าเกิดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจริงๆแล้วต้องค่อยๆย้ายความกันองค์ห้าเนี่ยมันมีความสาคัญแล้วก็เป็นแกนของ สิ่งที่จะต้องเกิดจย่างสมบูรณ์อย่างไรซึ่งใช้หลักโพอชฌงเจตมรรคองคปดเป็นตัวทฤษฎีแกนหลักของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าเกิดอันตมาก็พูดไปแล้วเมื่อกี้พระพุทธเจ้าอุบัติโพอชฌงเจตจึงอุบัติมรรคองคปดจึงอุบัติตถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพอชฌงเจตมรรคองค์8ไม่มีในโลกนะไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะมีโพอชฌงเจตและมรรคองค์8 มันจะต้องเข้าใจหมดมรรคองค์8โพดชองเจ็พระงหอินรี่ห้าแล้วก็ไล่ขึ้นไปหาร์ดตัวปฏิบัติสนั่นคือสติปัตยานสสมรปัตยานสีสนสอิทธิบาทสีนี่เป็นตัวปฏิบัติตรงเลยหรือโพอชชงเจ็ก็สติสติสะพดชงสมรวิจัยสะพดชงวิรยิยะสะพดชงขยายออกมาเป็นสองค์ของโพธิ ป, ปกาิเจธรรมสมต้นนั่นแหละแล้วถึงสังสมเป็นปิติประสัทธิแล้วก็ สมาธิกับอุเบกานั้นจะว่าไปแล้วมันก็เป็นยอดก็ได้แต่ว่าต้องขยายความอัตมาขยายได้ให้มันต่อจิกซอยมันรู้ว่าเออโพชชงเจตไปตัวสมาธิกับตัวอุเบกขาแล้วของพวทิปะกิธรรมเป็นตัวโพชชงเจดมันไปเป็นสมาธิยังไงมันเป็นสอดคล้องมันไปเกี่ยวพันมันเป็นลักษณะที่อธิบายกันได้ยังไง มรรคองคแปดไปเป็นอุเบกขาได้ยังไงนะอารมาขยายต่อจิตสอได้ถึงกันหมดแหละอันนี้เป็นต้นนะตัวอย่างก็ได้ว่าอย่างมรรคองคแปดนี่มีสมาสมาธิและปลายยอดของสมาสมาธิก็คืออุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นนี่อธิบายให้ฟังเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเพราะขยายความที่มันเกี่ยวเนื่องปฏิสัมพัทธ์กันยังไงมันถึงจะไปเป็นอย่างไงขึ้นต้นยังไงมันลงไปทุงจบอุเบกขา เป็นฐานนิพพา น, นคุณสมบัติตัวปลายเป็นจิตตัวที่เป็นเอกคตาอุเบกขาเนี่ยเพราะได้อุเบกขาก็แข็งแรงขึ้นมาก็เป็นเอกคตาแล้วก็มีคุณสมบัติห้าอย่างที่ว่าที่เคยอธิบายมาผ่านมาหมดตอนนี้ก็มาเรียบเรียงมาฟังซ้ำฟังตั้งใจฟังดีคุณมาศึกษามาม า, ม า, มาตั้งใจเป็นนักศึกษามาเป็นนักเรียน นะนักศึกษาที่ประจำก็เรียกว่านิสิตเนี่ยก็นี่แหละก็ดีแล้วก็ตั้งใจเรียนกว่าที่ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้อ่าสเปซสปะอยู่อะไรอะไรส่วนพูดน่ะพูดยังไม่เข้าใจสมัครมาแล้วก็เออสมัครเล่นเล่นเมือนเอาก็แแลแตกใครตัวใครตัวมันนะอิสระเสรีแล้วก็ฟรีๆโดยซ้ำไปอา่าใครเอาใครอยากได้ครับเป็นไปก็ไม่ได้วา่อาอ่าผู้สมัครก็ดีแล้วก็ทาให้มันได้มันจริงกันลวกัน ขออนุญาตสรุปิธีนะครับพอท่านพูดถึงโลกุตละ9นะครับแล้วก็มาพูดถึงโลกุตละนี่สิบหลนะคคือโพธิปักจยธรรม37บวก9ก็คือ46อนะครับแล้วก็ท่านมาขยายาเป็นภาพกว้างๆไว้ให้พวกเราสำหรับวันนี้นะครับคือเรื่องมัคมีองค์8ไตรสิกขาจรณะสโพธิปักจยธรรม37จนะครับจะสังเกตว่าไตรสิกขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยศีล เจรนาละขึ้นต้นด้วยศีล น, นะครับมักมีองค์8กับโพธิปัฏฐิธรรมสาเจ็ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นด้วยศีล น, นะครับแล้วเสร็จแล้วพ่อท่านก็ไปขยายเรื่องคําว่าศีลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งอะไรไว้หลายอย่างที่น่าสนใจนะครับแต่อย่า ง, างเช่นกายในกายอย่างเงี้ยครับพอท่านก็ยังไม่ได้ลงละเอียดในตัวในตัวสติปับฏฐาน เริ่นไว้ก่อนเปรยไว้ก่อนครับก็ถือว่าวันนี้พ่อท่านพูดในภาพรวมนะครับอันนี้อยากให้านิสิตเนี่ยพยายามที่จะจับประเด็นแล้วก็ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับพยายามเขียนแล้วก็สรุปกันในกลุ่มนะครับแล้วมีอะไรสงสัยาถามพ่อท่านได้เลยครับเชิญครับมิดจิลี ก่อนวัดกลางอาสอิสานมิจฉาประเงียบสนิทอ้าว่าเลยรครับก่อนวักลางครับผมอาจจะถามในสิ่งที่มันคิดว่ามันามอาจจะยากยมากผ ม, มก็ถามโอ้โหถาถึงยากมากเลยเอาเลยลองดูครับคือของความเข้าใจของผมนะพระเจ้าว่ า, าพลังงานนะพลังงานที่ที่เขาเรียนแบบนี้แบบโลกโๆกนั้น นะเป็นแบบโรคๆโดยทั่วไปแต่ของพิจานี้พลังงานนี้คือพลังงานด้านจิตวิญญาณที่เอาัวข้อควาต่างๆนี้มาเพื่อให้ฝึกเอาใกล้ๆนะใกล BR, ้ๆปากเพื่อให้ฝึกพลังงานตัวนี้ครับเหมือนนักวิญญาณเหมือนนักร้องอะ่ะครับเหมือนนักร <laughs> ้องเขาจะร้องฝึกวิ ญ, ญญาณเขาฝึกวิญ ญ, ญาณก็าแต่เรด ว, วงแต่เรดวงนี้เพื่อไปพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมีวิชาของพิจารณ์เท่านั้นส่วนวิชาโลกๆนั่นที่เป็นพลังงานต่างนั้นเป็นพลังงานโดยทั่วไปสเปสปะเป็นพรังงานศาสารครับ องค์ประกอบต่างๆเพื่อจะผลิตต่างๆเพื่อประโยชน์ในเรื่องแต่เรื่องนะตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ว่าพลังงานตรงนี้ที่เราจะมามาศึกษารายละเอยียด ต, ต่างที่พู้เช่าได้มีหัวข้อไว้แล้วนะหัวข้อต่งตางๆที่เราเนีศึกษาใ ห, ใ, ห ใ, หให้ได้ชัดเจนแต่นี้สุดคนสุดมาแล้วไม่เข้าใจโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์นี่ก็โดยเฉพาะคําว่าอ่านเกิดสี่อย่างเพราะถึงอุปาฏิกะอยนี้นี่ก็ไม่เข้าใจแล้วสมอย่างนั้นก็เข้าใจว่าพลังงาน โดยทั่วทั้ไปบาดด้านประตูนั้นเขาชัดเจนแต่พอถึงอปปติกัยเขาไม่เข้าใจเพราะจุดตรงนี้แหละที่ทั้งไพ่เขาไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนานี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์คื อ, อยังไงครับที่ผมผ ม, ผมผมผมมีความเข้าใจใช่ใช่ที่คุณพู ด, พดถูกโดยเฉพาะโอปปาติกะาการเกิดอย่างโอปปาติกะโยนิเนี่ยมันเป็นการเกิดที่โลกเขาเข้าใจไม่ได้หรากมันเป็นการเกิดทาง ลักษณะของจิตวิญญาณเกิดเพราะการเกิดอย่างอีกสีามอย่างนั้นนิยศาส์เขาจะเรียนรู้ได้หมดนะเกิดจากคลอดจากมดลูกมาเป็นตัวนะสัตว์มีมดลูกสัตว์เลือดอุ่นสัตว์คลอดมาเป็นตัวเลยแล้วสืบคลอดมาเป็นไข่ก่อนแล้วก็ค่อยเกิดเป็นตัวก็รู้หมดละชีววิทยาเขาเรียนหรือไปพวกแตกตัวเป็นพวกแตกตัวเป็นแบคทีเรียเป็นพวก สัตว์เล็กสัตว์แตกตัวไม่ต้องไปเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อเป็นตัวมึงมีไขม่ ม, มีตัวมีตนมีปัญจสาขามีแขนมีขามีอะไรออกมาเป็นไอ้นั่นเป็นตัวตนออกมาสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยคลอดแตกตัวมันเลยมันก็เป็นก้อนออกมาแล้วก็ค่อยแตกออกมาออกมาข้างนอกเลยพวกจุลินทรีย์พวกอะไ ร, ะไรต่างๆนะันนะแบคทีเรียต่างๆนั่นเขาเรียนรู้หมดไบโอโลจีเขาก็เรียนหมด แต่โอปปาทิกาหรือจิตวิญญาณเนี่ยมีในศาสนาพุทธเท่านั้นที่เรียนกันเป็นวิทยาศาสตร์สัมผัสของจริงพิสูจน์ได้จริงมีพุทธเท่านั้นพูดไปแล้วมันก็ไปข่มศาสนาอื่นเขามันก็อย่างนั้นแต่ที่นี้เราพูดเป็นวิชาการอยู่ที่เรานี่ไม่มีปัญหาเราพูดแต่ก็เรามาระวังเวลาไปพูดข้างนอกมันจะไปกระทบคนอื่นเขาและที่พ่อบอกว่า อ่การพัฒนาของของพลังงานตรงนี้ตั้งแต่อุตุตั้งแต่อุตุพรีชาแล้วมันจะใช่แล้วก็แยกพลังงานต่างๆแต่เพิ่มมาเรื่อยอ่าพลังงานที่คือใจเพิ่มจากอุตุมาเป็นพี่ชาแล้วก็มาเป็นจิตอย่างที่อธิบายไปบางส่วนแล้วมันจะไม่ศูนย์จนกว่าจะปรินิพานอ่าใช่มันจะพัฒนาตั้งแต่อุตุไปเลยถูกต้องจนไปถึงธรรมะนะแล้วผมก็มีความธรรมนิยามช่วงส่งไว้ซึ่งพระอรหันตเนี่ยบรกเลว่าธรรมะ กายมีองค์ประชุมของกายมืองค์ประชุมของธรรมมาสมบูรณ์แล้วไม่มีอกุศลละธรรมนี่ช่วงต่อที่พลังงานวิญญาณจะไม่ใช้กับพรังงานสสารเปนช่วงต่อช่วงนั้นนี่ผมมีความคิดว่ามันก็เกิดกับเกิดเฉพาะตั้งแต่นู่นเลยเพราะพลังงานเม็ดร่างกายน้่นก็เป็นพลังงานสสารนะนี้พรังงานจิตวิญญาณที่จะใช้พลังงานสสารตรงนี้นั้นที่จะเชื่อมต่อว่า จะมาไปได้ร่างกายนี้นั้นมันก็ตั้งแต่ขออภัยนะครูครูมีความคิดะว่ามันตั้งแต่ที่จะผลิตเชื้อสุจิก็ถูกสิมันก็ต้องเข้าไงพระเจ้าท้การตรามีเชื้อก็มีไข่ครับและก็วิญญาณเข้ามาร่วมเป็นพลังงานร่วมถ้ามันเป็นพลังงานที่มีเชื้อกับมีไข่มันยังไม่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นวิญญาณถึงขั้นสูงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปหมด แต่ก็เป็นจิตอิน ญ, ญาณส่วนของชีวะระดับพีชะมันมีเชื่อมีไข่ก็เป็นแบบพีชะมันก็มีเหมือนกันชีวะทางพืชพีชะมันเริ่มมีเชื้อมีไข่แต่พลังงานระดับมันระดับของพีชะมันยังไม่ได้ขึ้นขั้นถึงขั้นชีวะที่ขั้นจิตนิยามแล้วก็พลังงานพลังงานจิตวิญญาณที่จะไปใช้พลังงานของสอสาร คือผมเข้าใจว่าพลัางงานวิญ ญ, ญาณนี้มันจะใช้แต่พลัางงานสาสารด n a อน <DNA. S 2> นี่ก็เป็นพลัางงานสสารที่พลัางงานวิญ ญ, ญาณนี้จะมาใช้แล้วแต่ว่าวิญ ญ, ญาณนี้จะได้ DNA อ็เประเภทไหนมันมารวมสภาพของด n a นั้นมันเป็นธาตุที่เป็นธาตุจิตนิยมนะเป็นจิตพลังงานระดับจิตนยิยมเพราะเราไปเรียกด n a เนี่ยมันเป็นของสัตสัต โรคโดยเฉพาะมนุษย์มันเป็นธาตุจิตวิ ญ, ญญาณแล้วมันเป็นธาตุธาตุของจิตวิ ญ, ญญาณแล้วมันไม่ใช่พลังงานสสารเป็นพลังงานของธาตุวิญญาณแล้วคือจะมาเชื่อมต่อตรงนี้ว่าพลังงานจิตวิญญาณนี้แหละที่มันจะเรียนรู้อย่างตนี้ถ้าเราไม่ค่อยไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือว่าเจอผู้เยสุททอดเชื้อของพุทธ เราก็จะไม่อาจรู้อะไรได้หรอกเรเรียนรู้แบบพลังงานโู้ยึงยันอะไไม่รู้เองจนกว่าแล้วเราจะมาพัฒนาจิตวิญญาณขเราไปทางพุทธศาสนาใช่ขอบคุณครับผู้รู้เองเนี่ยถึงวอกเรียนก็ยังไม่พออาตมาอธิบายความเองให้ฟังเริ่มจากสาวกภูมิมาเป็นปัจเจกภูมิก็ต้องมีสัตบุรุษมีสมกตาสมาปฏิปันามีผู้รู้ที่เป็นผู้รู้เองได้และเป็นปัจเจกขึ้นไป เป็นสยังเป็นยาเป็นสยัมภูมาถ่ายทอดคุณจะคิดขึ้นเองหรือว่าเองโดยที่ไม่เคยมีเชื่อนี่มาเลยเป็นไปไม่ได้าศาสนาพูดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดแต่าศาสนามีสาวกภูมิน่าต้องเริ่มต้นเป็นสัตตบรุษก่อนมาเอามาจากสัตบุรุษเอามาจากผู้รู้เอามาจากผู้มีสิ่งที่จริงนั้นแล้วอย่างต่ําที่สุดก็เป็นปัจเจคบุคคล เป็นผู้มีปัจจตังอธิบายไปหมดแล้วปัจจตังค์เขาสะสมมาเป็นปัจเจกจากปัจเจกสะสมไปมาๆกๆเขไปเป็นสยังอภิญยาจนไปเป็นพระเจ้าเขาเป็นก่อนเป็นพระเจ้าจะเป็นปัจเจกสมมาสมพุท ธ, ธก็ได้เพราะปัจเจกในขั้นสูงน่งกับปัจเจกในขั้นที่เริ่มต้นพึงจะได้เป็นของตัวเองในระดับโซดาอัสกิทาอะไร ก, ก็ได้แต่ว่ามันเริ่มเป็นของตนไงปัจเจกเริ่มเป็นตัวเฉพาะตนของตนห้องตน มีแล้วของพุทธเนี่ยมันมีแล้วมีได้เลยเพราะโสดาบันมีลักษณะสี่มีเรื่องเข้ากระแสโซตาปะนะัะแล้วมันก็เริ่มต้นจะไม่ตกตำ่ำเป็นธรรมดาก็พยายามไม่ให้ตกตำ่ำมันแบ่งเป็นสี่เนี่คล้ายๆก็มีช่วงละยีภย่ภาพยี่ภาพยี่ภาพยี่ภาพสี่ช่วงเพราะช่วงที่คุณได้มาถึงส่วนภาคหนึ่งได้มาสี่ คอเตอร์หนึ่งสีคุณก็ได้เข้าเข้ากระแสมาถอยหลังได้อันนี้มันยังตกต่ำได้จนกว่าจะขึ้นไปหาส่วนที่สองคอเตอร์ที่สองจากย5ห้าไปไปหาห้าสิบมันก็จะค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปพยายามจะรักษาสถานะให้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอาวินิปาตธรรมไม่ตกตำ่ำ คุณจะต้องพยายามไม่ให้ตกต่ำถ้าตกต่ำอยู่คือก็คือตกต่ำคุณก็ไม่ได้ไม่ขึ้นมันก็ถอยหลังห้าสิบจนกระทั่งสี่ยี่สิ0ี่สบห้าสิบได้กึ่งหนึ่งลวถ้าเลยกึ่งหนึ่งไปเป็นคอเตอร์ที่สาท่านก็เรียกนิยตะแปลว่าแน่นอนมันจะแน่นอนก็คือเกินครึ่งกนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เ, อยเอยนิยตะจนกว่าจะถึง คอเทร์ที่สเต็มเป็นเ5็เป็นจาก 75% คดอร์เตอร์ที่4ก็จึงจะเป็นสัมโพธิปรายนะหมายความว่าสัมโพธิปรายณะก็คือมีแต่จสูงจะจบท่าเดียวไม่ถอยหลังแล้วมันเที่ยงมันแน่นอนตั้งแต่นิยตะและ7 5จเนี่ยไม่ตกละ อ, อันนี้ไม่ตกแท้เลยเอาวินิปาตธรรมนี่ไม่ตกแท้หมายความมาสอบได้ แต่ประมาทไม่ได้นะปร ะ, ประมาทก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะอย่างดีถ้ว่าไม่ตกคุณก็อยู่นี่แหละอยู่ตรงในห้าสิบนี่แหละคุณก็ไม่ไปไหนหละห้าสิบอยู่นี่อีกล้านล้านล้านลา น, ลานปี อ, ะอ่ะมันจะประมาทยังไงกันแล้วแต่มันก็สบายท่านที่เรียกว่าโสดาบารระดับนี้เป็นโซโซดาระดับวัตตะพิรตโสดาวัตตะอย่างนางวิสาขาเนี่ย ถ้าบอวนาฬิาสาขาเนี่ยโอยไม่บรรลุง่ายหรอกเพราะว่าติดสบายติดสนุกสิเพลินวัตตับพิรุตะโซดานานแสนนาน น, านี่คือคุณสมบัติเนื้อแท้ของสารสัจจะที่คุณต้องได้ต้องมีต้องเป็นทฤษฎีต่างๆของพระเจ้านี่พิสูนเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นจริงได้รู้ว่าอ๋อเข้ากระแสคืออย่างี้อัตมาอธิบายอธิบายให้สูดแต้มเข้มเป็นรูป หันทิศเดินทางไปทางนี้นะทางโลกุตระทางนี้นะโลกียะนะถ้าออกนอกทางมันก็ไปถ้ามันองศามันเข้ามานี่ก็ยังดีหน่อยองศามันเก้าบองศาไปโลกียะเลยแล้วก็โลยดิงๆไปหาโน่นเลยลุมนรกสวรรค์หลวงพิวรท็จพอรู้จะทางว่ามาทางนี้มันทวนกระแสกันมันปฏิโซตังโลกียะมันไปทางหนึ่งโลกุตระมันออกทางนึงปฏิโซตังมันทวนกันมันคลรหิต มันเข้าทิศมาทางนี้แม่คุณเริ่มต้นมีองศาเออทิศนี้เหมือนกันแต่แม่เพิ่งจะเข้ามาได้สิบเปอรองศา20องศายังไม่เข้าทางตรงเลยเท่าไหร่ก็แน่นอนมันก็ต้องอย่างนั้นก่อนมันยังไม่สมาธิร้อยเอร์เองศาก็าไปตรงได้หรอกแต่ก็คือเข้ามาทิศนี้แหละนั่นคือเข้ากระแสเข้ากระแสมันก็ทําให้มันตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆเดินทาง องศาก็เข้ามาเรื่อยๆสมาธิถือก็คือเข้ามาเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆอย่าให้มันลดลงไปทางนู้นลดไปทางนู้นมันก็องศาก็เสียระยะทางก็เสียเสวเวลามันก็ยิ่งคุณไปเดินทางไปงี้นะองศามันไม่เกิดมันไปอย่างงี้มันก็ได้มันก็ได้จริงเงี้ยแต่ถ้าให้องศามันต่ําลงมามันก็ไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะถุดลงมาหาทางล่างต้องให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะเต็ม90องศานะ ก็คือคนที่มีปฏิพาณปัญญามีความเพียรที่ดีถ้าได้ก้าวเสียสาเป็นเนส้นที่สั้นที่สุดบรรลุไวที่สุดถึงที่หมายใกล้ที่สุดเท่านั้นเองเพราะในปัญญาปัญญาหกหรือทิฏฐิหอัตอมาชอบเรียกว่าทิฏฐิหเพราะว่าในสมกติองค์8นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสไวในมหาจตารีสกสูตรนี่แหละ มีปัญญาปัญญินสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงเห็นไหมโพชฌงนี้มันสําคัญมากเลยตัวพราวิจัยสมโพชฌงแรกก็สัมมาทิฏฐิสมาธิฏฐินี้ก็เป็นลูกของมอง 8, รรคองค์8ดรำมวิจัยสมโพชฌงก็เป็นลูกของโพชชงเจ็เอามาใช้ยอย่างนี้นะทำมวิจัยสมโพชชงสมาธิฏิแล้วก็มรรคขังขะองค์แห่งมรรคทั้งหมดปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติ องค์หงมัตอย่างสมาปฏิบัติอย่างสมาธิิมันก็จะเกิดคุณต้องใช้สภาพที่จะเจริญชัดเจนก็คือนมธรรมวิจัยสัมโพธิเขต้องวิจัยวิจัยวิจารณ์วิตกวิจารณ์นี่แหละวิจัยวิจารณ์พิจารณาแจกแจงและก็กําจัดและก็รู้ก็เห็นมักเห็นผลก็วิจัยทั้งนั้นไตรตรองตรวจตราวิจัยวิจารณ์ทั้งนั้นแล้วจึงจะ รู้ว่าเราได้จริงเราเป็นจริงเราได้จริงเป็นวิทยาศาสตร์นะจึงจะได้รู้ความจริงเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเมื่อสัมมาทิฐินี่มันสัมมาทิฐิก็คือทำองศามันตรงเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่อธบายเมื่อกี้มากเท่าไรมันก็มาเพิ่มมาเป็นปัญญิสีสีปัญญาก็เป็นตัวรู้ฐานต้นคนเริ่มเป็นโสดาปฏิมาคณก็มีความรู้มีปัญญาระดับต้นละ พอเริ่มต้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปแห่งองค์มรรคมีธรรมวิจัยสัมปชงเจริญมีสมาธิิองศาเข้ามาอีกเรื่อยๆอุดอะไรทิฐิอุดชุงกรโรติเรื่อยๆทิฐิก็คือความเห็นเนี่ยสมาธิทิฏฐิอุดชุงก็คืออุดชุงก็คือตรงตรงก็ไม่ได้กโรติกระทาทํำไม่ตรงก็มกกไม่ได้มันกระเรื่อเรื่อย มันก็เป็นปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ปัญญาพะละคือตัวผลของปัญญาก็คืออินทรีย์หรือพะละนั่นแหละตัวปัญญาเ อ, อกอินทรีย์มันก็เติมอินทรีย์เติมพลังงานของจิตวิญญาณขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพะละเต็มเป็นผลนี่ก็ผลหรือพะละเต็มสมบูรณ์เป็นปัญญา ก็เกิดจากองค์หกนี่แหละปัญญาปัญญินรีปัญญาพละรรมวิจัยสัมโพธจงนี้ภาคนี้เป็นภาคปฏิบัติภาคสาตัวนี่ปัญญาปัญญินสีปัญญาพลเป็นภาคของการสะสมคุณนิทิภาคสะสมคุณสมบัติสะสมทรัพของปัญญาปัญญาเป็นทรัพการเจริญศีิสมาธิปัญญามันก็เจริญก็ไปเป็นปัญญาอันสุดท้าย เป็นปัญญาวิมุตติหรือวิมุตติยานทัศนะมันเป็นตัวนี้ขึ้นมาเดือเรื่อยๆเพราะเรารู้สูตรพวกนี้โดยมีสภาวะมันชัดมันง่ายเพราะทรมาวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ต้องปฏิบัติโพชฌงเป็นวิจัยอะไรซึ่งอัตมาแจกวิจัยว่าเป็นวิตกวิจัยวิจารแล้วก็อะไรวิอะไรอีกวิมุตติแล้วก็วิจัก เ ค, เคยเอามาพยายามใช้บัญญัติพวกนี้มาเติมซึ่งก็เป็นภาษาบาลีภาษาของท่านใช้อะแต่ท่านไม่ได้มารวบรวมเช่นโลกิโลกุตรจิตนะโลกวิทูโลกาทุกคำปาก็ไม่มีใครรวบรวมหรอกแต่ต่มามารวบรวมเพื่อที่จะให้ใช้อธิบายใช้ยืนยันเหมือนกันอนะวิตกวิจัยวิจารณ์วิมุตดวิจักอะไรงนี้เป็นต้น มันก็จะมีคุณสมบัติมีสภาวะของวิตกวิจารณ์หรือวิตกแล้วก็วิจัยวิจารณจนกระทั่งทํางานวิตกวิจัยวิจารณวิจารณคือพฤติในพฤติกรรมที่มันผ่านวิตกวิจัยก็คือแยกแยะแล้วก็ทํางานจะล้างกิเลสรู้วิจัยเห็นตัวกิเลสกําจัดกิเลสแล้วอ๋อชัดเจนเมื่อกําจัดแล้วพฤติของจิตพฤติของจิตของคุณเป็นยังไงพฤติของจิตของคุณเป็นจาระยังไงเป็นความประพฤติยังไง วิจาระเป็นจาระอันยิง่งจาระอันวิเศษก็จาระวิเศษนั่นแหละมันมีลักษณะของวิมุตต์พอวิมุตต์แล้วคุณก็รู้แจ้งรู้จริงจนจบเป็นวิจักวิจักขณะเป็นวิจักเป็นรู้แจ้งเป็นวิมุตติยานลักษณะนนะีแจ้งรู้จักแท้ๆอย่างรู้รู้เห็นเห็นมันก็จะเกิดสภาวะเป็นสัจจะ อตาอตมาพูดไปเนี่ยแม้จะเอามาวิจัยเวทคําต่างๆพวกนี้ก็จากสภาวะไม่ได้ไปอ่านมาจากตําราเล่มไหนใครจะมาตู่ว่าอาตมาบัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ไม่เป็นไรอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ออกนอกบัญญัติพระเจ้าคําว่าวิมุติคําว่าวิจักก็มีอยู่ทั้งนั้นนะจากขุ ม, มาปรินิพพุทธินั่นแหละ จนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติยานทัศน์นันอะไรคือวิจกักอาใครอา้าวยกมาหามายกมามโรโฟรได้ยังขออนุญาตนะคะข อ, อกาสค่ะคื อ, อประเด็นที่พ่อครูต้องการก็คือว่าในชั้นเรียนเราได้เรียนอะไรไปบ้างแล้วก็สรุปจากบทความในชั้นเรียน ดิฉันก็ขอโอกาสสรุปว่าสิ่งที่พ่อท่านสอนมาทั้งหมดนี้มันจะต้องเริ่มต้นด้วยศีลเพราะว่าดิฉันหมดคือดิฉันแบบหมดความเดือดเนื้อร้อนใจในขั้นแรกก็คือดิฉันจะนำประสบการณ์มาประกอบกับคำสอนของพ่อครูก็คือการที่เรารักษาศีลที่ใดในโลกก็ได้ก็คืออย่างข้อ3เนี่ย ดิฉันนะ่ะก็มักจะจิตจิตก็วอกแวกไปกับคนอื่นเราก็เราก็รักษาศีลอย่างไรก็ได้ให้ใจของเราอะ่ะไม่นอกใจสามีด้านจิตใจเมื่อเราลุกถึงแก่จิตใจแล้วว่าเราไม่สามารถนอกใจสามีได้อีกต่อไปแล้วเที่ยงแท้นั่นคือเรารักษาศีลที่พ่อท่านสอนทำให้จิตใจของเรานะ เกิดการดับตัวกิเลสที่เราจะไปนอกใจสามีนั่นคือการปฏิบัติศีลที่บรรลุถึงที่ใจทั้งหลายแหละที่พ่อท่านพยายามสอนพวกเราล้วนต้องเริ่มต้นจากศีลไม่ว่าจะมีความรู้มากมายในศาสตาทั้งหมดทั้งทุกข้อท่องได้หมดแต่ไม่เริ่มด้วยที่ศีลอย่างดิฉันสามารถก็เคยบอกแล้วว่าสามารถ ปิดอบายภูมิได้เพราะเหตุนี้เพราะดิฉันเริ่มจากศีลทุกแต่ละข้อแล้วมารักษาในทุกวันจนมันเป็นปกติคือเราไม่นินทาคนเป็นปกติซึ่งเมื่อเทียบก่อนตอนเราเป็นปุถุชน เราก็นินทาคนเป็ดปกติแล้วเราก็ไม่สามารถห้ามปากของเราได้นี่ไงคือศีลที่เราในปัจจุบันเราไม่นินทาคนเป็ดปกติได้แล้วเราไม่จิตใจวกแวกไปหาสามีของคนอื่นได้แล้วนั่นคือเราได้แล้วนี่ใครคือเริ่มที่ศีลเมื่อเราสามารถดับตรงนั้นได้นั่นแหละคืออบายภูมิอย่างพี่พ่อท่านบอกและการดับจิต ตรงนั้นแหละคืออมตะในระดับโสดาปฏิผลนั่นเองนี่คือสิ่งที่เดชันเข้าใจในคำสอนของพ่อท่านและก็เพียรปฏิบัติมามันจึงเกิดเป็นผลถ้าท่านสามารถไม่นินทาใครได้จนเป็นปกติท่านไม่เดือดเนื้ร้อนใจท่านไม่กังวลท่านไม่ต้องบังคับปากท่านเป็นปกตินั้นคือการปฏิบัติศีลที่ลุถึงที่ใจตรงนี้ แต่ศาสตร์ทั้งหลายแหละที่พ่อท่านสอนเราก็คือท่านต้องสอนให้เรารู้หลายอย่างแต่ท่านต้องการบรรลุธรรมท่านต้องเริ่มด้วยศรรีลขอพระคุณค่ะอืมอา้าวสรุปใช้ได้ถือไวาใช้ได้อ้าวขอบขอกาสค่ะดิฉันมีคำถามอย่างหนึ่งก็คือนะคะวันนี้เอ่เอ ทำไมกุศลจึงไม่มีที่ต้นและไม่มีที่จบ<อ>ต้นน่ะคืออะไรจบน่ะคืออะไรค่ะอันนี้คือคำถามต้นคืออะไรจบคืออะไรของกุศลเนี่ยมันเป็นคำ ก, กลางๆแปลว่าความดีเพราะาดีมันจะขึ้นตนตรงไหนกของอะไรที่มันเข้าใจของอะไรที่มันเห็นมันรู้ว่าขึ้นตนตรงนั้นมันเป็นโลกิยะมากมากการก อ, องน้ไม่ทวนแต่โลกุตระเนี่ยมันมีขึ้นตน มันมีศีลมันมีสกายะมันมีอะไรพวกนี้เป็นต้นมันมีอบายภูมอบายก็เป็นต้นศีลก็เป็นต้นสกายะก็เป็นต้นอะไรพวกนี้มันมีหลักที่ท่านตรัสท่านสอนที้หมดเลยแต่คำว่ากุศลเนี่ยมันไม่ีหลักไม่ไม่ไม่มีมันก็เป็นความดีงามตามสมุติเพราะโลกียะมันเป็นกุศลมันเป็นโลกียะได้เพราะโลกียะมันไม่มีเบื้องต้นทำการมันปลายมันเป็นได้หมด แต่ในคุณงามความดีเลยอนุโลมให้ได้ว่าถ้าเป็นกุศลและมันตายระดับไปถึงขั้นโล ก, กุตระได้ให้เป็นฐานปฏิบัติเป็นโลกรุตระได้ก็อนุโลมให้เรียกว่ากุศลเข้าขั้นขีดของเข้าเขตของโล ก, กุตระจริงก็เป็นความดีงามเมื่อเข้าเขตโล ก, กุตระมันก็เป็นบุญละมันก็เป็นปุญญะละ เป็นการชำระ ก, กิเลสได้เข้าเขตโลกุตระมันก็คือลดกิเลสได้เพราะบุญจะไปเกิดต่อเมื่อตรงน้นอหะกุศลที่มันเป็นการรู้จักอกุศลจิตทำอกุศลจิตดับลงลาจางคลายลงได้จนมันจบสัมโพธิปราชนะจนกระทั่งมันถึงอรหัตผลมันจบนู่นแหละก็เรียกว่าเป็นกุศลได้โดยคํากุศลแม้ว่ากุศลเนี่ยความดีงามเนี่ย เป็นอรหันต์แล้วก็ทําความดีงามได้ต่อไปอีกทํากุศลได้มีมิติสิ้นสุดแต่บุญบาปมันมีที่สิ้นสุดพอหมดกิเลสหมดบาหมดกิเลสบุญไม่ต้องชําระแล้วมันก็ไม่ต้องมี ท, ทำอีกมันมีที่จบมีทั้งที่ต้นและที่จบส่วนกุศลนั้นเมื่อจบแล้วเป็นอรหันต์แล้วก็ยังสร้างกุศลได้อีกขณะพระพุทธเจ้ายังไม่สันโดษในกุศลเลยกุศลสู้ปะสมปทาแต่พุทธิจบแล้วสรรพป า, าปสัสากรณัง ไม่มีลบาไม่ต้องทำแล้วบาปจบอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้สิ้นบาปสิ้นบุญบุญญาปาปะ ป, ป, ป, ป, ปริกขีโนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วเป็นอมะตะบุคคลเป็นคนไม่ตายครับขอโอกาสครับบาบเท้าพ่อครูอตอนนี้สองทุ่มเจ็ดนาทีอ่า แล้วจะให้พูดไหมครับอ้าวพูดน่าพูดได้อีกสองคนเน่าจะจองไว้ก่อนเน<อ>่<ถ>เาก็การศึกษาของพุทธคือหลักก็คือไตสิกขาแล้วพ่อครูสอนว่าข้างนอกเนี่ยศีลเขาก็ถือกันได้แค่กายกับวาจาอของเรานี่ควรจะถือจนถึงจิตหมายถึงว่าอันิสง์ให้เกิดอันิสงค์ตั้งแต่ อวิปปติสารคือจิตจะต้องเริ่มต้นลดความเดือดร้อนให้ยืนเลยอะคือตั้งแต่ให้ถึงอวิปปติสารคือให้ให้รู้ว่า เ, เราเนี่ยถือศีลแล้วได้ผลยังไงอวิปปติสารเป็นยังไงปมุชชะเป็นยังไงปิติเป็นยังไง ปัสธิเป็นยังไงสุขเป็นยังไงยถา ป, ปูตยานทัศนะเป็นยังไงนิพิถาวิราคเป็นยังไงจนถึงถ้าให้ได้ผลจริงๆคือวิมุตติยานทัศนะเห็นถึงสิ่งที่เราถือศีลละลุดออกมาให้เห็นเลยครับอันนี้คือที่ผมฟังนะฮะใช่ใชแล้วก็อีกอันอันนี้จะ ถ, ถามพ่อครูเมื่อกี้ได้ฟังเกี่ยวกับนิยามห้า ตั้งแต่อุตุพีชะจิตธรมธรมธรรมะผมว่ามันเป็นความรู้ระดับโพธิสัตว์ครับขอถามอันนี้ครับไม่ใช่ระดับโพธิสัตว์หรอกระดับพวกเราก็รู้ได้แล้วก็เรียนได้จะเข้าใจเนี่ยมันไม่เห็นเป็นปัญหาเลยรู้ครับอันนี้ผมถามถามว่าใช่หรือไม่ใช่ครับ เป็นลําดับธรรมดาก็พวกคุณเป็นโพธิสัตว์ได้ยังอะไรยังไม่เป็นคุณก็ทํารู้ได้นี่ก็เรียนได้แล้วมันก็เข้าใจมันก็ใช้ประโยชน์ได้นี่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโพธิสัตว์ครั บ, รบเป็นระดับที่มีความรู้เป็นความเข้าใจและเข้าใจสภาวะด้วยพลังง า, า, านระดับอุตตุคืออย่างไรพีชะคืออย่างไรมีขีดมีเกณฑ์ขนาดไหนจิตขนาดไหนเราก็จะได้ไม่สับสนไม่วุ่นวาย โอ้แล้วกินพืชเนี่ยมันก็มีชีวะก็เถียงกันอยู่นั่นแนหะบอกเออเรเทียงไปเธอเราชัดเจนแล้วเราไม่กินพืชกินก็กินไปเราไม่นัะนหรอกนะนะชายไปกินดินก็ไม่เอาะถ้าไม่มีชีวะไปกินดินเดี๋ยวกับแบคทีเรียอยู่ในดินนะยุ่งนะนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินอะไรหรอกนะแม้แต่ในลมมันยังมีแบคทีเรียเลยกินอะไรตกลงคุณไม่ต้องกินหรอกคุณตายก่อนเลยตายเลยดีกว่าเราก็จะชัดเจนเนี่ย พิชะมันไม่มีไมไมีอะไรก็อธิบายได้มันไม่มีเวทนาไม่มีมีปัญญามันไม่ได้มีผูกพยาบาทจองเวรมันไม่มีสิ่งที่จะมีอะไรแก่กันอะไรกันอะไรนี้เป็นต้นซึ่งมันชัดเจนของพระเจ้านะมันชัดหมดเลยมีปัญญาจริงๆดีๆแล้วมันเทียงไม่ออกอันตนุอย่างนี้เป็นต้น งั้นขอถามอีกข้อหนึ่งครับว่าผมเข้าใจคำว่ามีกับไม่มีคำที่มีนี่คือเป็นสมมุติให้ทำจากสมมุติมาเข้ามาถึงความไม่มีคือไม่มีกิเลสในจิตใจใช่ไหมครับถูกได้นะมีเป็นสมมติแม้ที่สุดเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีโดยอาศัยโดยสมมติไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นคือสิ่งที่ มีจริงมีเป็นสัญญายาณิจานิทนนั่นเองกำหนดไปตามลาดับเท่าที่เราจะถือว่าเที่ยงโดยไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นเพราะงั้นคนจบจ บ, จบที่ตรงไม่มีแต่ไม่มีของผู้ที่ยังดับไม่ได้เป็นผู้ไม่มีมรรคผลโลเกณนัตตินัตติตาก็เป็นคนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่มีตัวโน้นกับไม่มีตัวหลังนี่มันต่างกัน ตัวนี้มันโลเกนัติตามีผลแล้วก็เป็นผู้ไม่มีไปตามผลที่ได้เยๆจนสุดท้ายหมดแล้วก็เป็นผู้มีสิ่งที่เป็นอรหัตตาหรือเป็นมีสิ่งที่เป็นอารยะวิญญาณเป็นวิญญาณที่อาศัยท่านั้นแลวท่านจะรู้ว่าวิ ญ, ญญาณก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ปากพูดท่านไม่ได้ยึดวิญญาณเป็นเราเป็นของเราแต่ท่านอาศัยวิญญาณอยู่ท่านั้นอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้แต่อสายสัญญาเวทนารูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณก็หมดอุปทานหมดยึดมั่นถือมั่นแล้วถ้าอาศัยขันห้าอยู่ก็มีมีสิ่งอาศัยแต่ถ้าเป็นคนไม่มีนะไม่มีสมุดไทยไม่มีมีแต่นิโรธคือมันไม่มีอะไรแล้วนิโรดับไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดสนิทนป็นต้นนะ ก็ค่อยเข้าใจไปอันนี้มันเป็นปรัชญาเป็นภาษาเราก็ค่อยๆปฏิบัติไปแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจมีสภาว่าเราค่อยเข้าใจลงไปเรื่อยๆอ๋อมีหรือไม่มีสองคำนี่โอ้โฮเจ้าทั้งตัดว่าโลกเราก็มีอาศัยไอย้สองอย่างนี่แหละมีก็ไม่มีนี่แหละในตังกรตัดมันไม่ยาวแต่มันอธิบายไปได้หลายชาติแค่นี้แค่นี้อัตมาอาศัยแค่นี้อธิบายไปอีกกี่ชาติก็ได้โลกสมุทัยกับโลกนิโรดนี่แหละ อ้าวคนสุดท้ายขอโอกาสนะคะเพราะท่านมีภาวะความมีและไม่มีนะคะในฉันมีความเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้คือจับได้นิดหน่อยค่ะที่พัฒนเทว์วันนี้คือมืดตึ๊บเลยค่ะจับได้ตรงที่ว่าวิชาสามวิชาที่พ่อท่านสอนเนี่ยความรักสิบมิติและก็สรรค่าสร้างคนและก็พุทธชีวศิลป์เนี่ย มันจะเชื่อมร้อยเชื่อม่อมกันแต่แบ่งเอกลักษณะใหญ่ๆมาความรักก็จำเพาะลงไปที่ความรักเป็นตัวบัญญัติกากับก็ขยายความไปเท่าทิ่จะขยายให้มันกว้างให้มันลึกไปตามนั้นไปในยู่ิมีกรอบในคำว่าความรักคือตัวกาหนดตัวกาหนดคำว่าความรักกรอบของมัน แต่โดยเฉพาะคําว่าความรักมันยังมีอีกเยอะหลายเช่นว่าความรักมิติต่างๆก็เหมือนกับมันมีคอนเทนต์ต่างๆมันมีรายบทต่างๆรายบทของมิติที่หนึ่งรายบทมิติที่สองรายบดก็ค่อยๆอธิบายเป็นรายยบทไปในรายยบทของมันก็มันมีต้นที่ไหนกลางที่ไหนจบที่ไหนก็เรียนรู้เป็นบริบทของมันอีกทีหนึ่งคอนเท็กสมันอีกทีหนึ่งก็จะรู้ตัวจบ เพราะคาว่าความรักรวมทั้งหมดแล้วมันก็นเป็นคอนเซปต์ทั้งหมดแต่ก็มีรายยบทมีคอนเทนต์ของมันแล้ก็มีคอนคอนเท็กซ์ของมันมันมีบริบทของมันมีรายยบดของมันมีองค์รวมของมันความรักสมบิเตเราตีกรอบความรักสมิติเป็นองค์รวมเป็นคอนเซปต์หนึ่งแล้วก็ที่จับได้วันนี้ก็มีคําว่าศาสตร์กับศิล น, นะคะศาสตร์นี้จะเป็นลักษณะกว้าง เหมือนคนโ ล, โ, ลโลกียะเขาจะใช้กันคือจะบําเรอตัวเองอแต่ศิลปะนี่จะเป็นขั้นของอริ ย, นนยชนทีใช้ววท่านนิยามมาแล้วบริจาคท่านนิยามว่าถ้าจะชื่อศิลปะต้องเป็นมงคลอันอุดมเป็นนิยามของท่านเพราะงั้นใครจะไม่นิยามอย่างนี้ก็ไปตามเขาสิเขาไม่นิยามเขาก็ป้ายใหญ่เลยจนกระทั่งกลายเป็นอวบ เอบายภูมิไปเลยศิลปะก็เป็นอุจจาร์เป็นอะไรอะไรไปกัทุกวันนี้ก็ไปกันเลยแล้วผู้ที่จะจะใช้ศิลปะอันเป็นมงคลอันโดดเด่นนี่มันต้องเริ่มต้นที่ต้องมีศีลก่อนค่ะใช่แค่นี้ค่ะอก็ดีนะค่อยๆอย่างนี้ทําความเข้าใจไปมันก็จะค่อยๆละเอียดละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ่อยๆนะเนี่ยแตมาว่าใช้เวลาสปีเนี่ยพวกคุณเนี่ย ตั้งใจเรียนดีๆแล้วปฏิบัติไปดีๆเพราะว่าเราพาปฏิบัติด้วยแน่นะดีๆมารู้ตัวก็มาเป็นอรหันต์แซวอะไรเงี้ยแต่มันไม่เพลอหรอกอรหันต์มันจะรู้ว่าเราจะ เ, เป็นอรหันต์มันมีลําดับเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายมันไม่เพลอหรอกน่ะที่พูดน่ยพูดเล่นนะแต่ว่าผู้ที่เขายังไม่รู้ตัวนี่นะเป็นดิ่งลมลมก็พองเนี่ย พอรู้ตัวก็ไอายาเราเป็นใครยังอาตมาขออภัยตัวเองโอ้โหเราไปเสียเวลาเราไม่รู้ตัวตัง36ปีเรารู้ตัวอืมรู้ตัวกระสูงซะแล้วมารู้ตัวกระสูงอย่างาพระเจ้าตรัสรู้ในวันสิบําเดือนหที่ตายตนโพนั่นดิมเมนามเนรัญชารานั่นเอา้าพอรู้ตัวท่านกระสูงซะแล้วอันนี้มันก็เป็นบา ร, รมีของคนที่เป็นปัจเจก เป็นสยอปัญญาหรืเป็นสยำผูกก็ต้อมีอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ตัวก่อนแต่ธรรมดาสามัญคุณจะรู้ตัวไปเป็นลําดั บ, ดบเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามลําดับแล้วจะไม่มีการวุบวาบตก อ, อกตกใจหรือ ว, ว่าตื่นเต้นอะไรมากเพราะมันจะค่อยรู้ไปมันจะไม่วุบว่าถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่ค่อยรู้ไม่รู้ตัวมันจะวูบว่าเฮย้ยเป็นได้ไงวุอะไรงงมันจะวุบว่ามันก็ต่างกันบ้าง อ้าวนั่นเป็นลักษณะนิดหน่อยที่อธิบายอธิบายเสริมอ้าวสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคนพรุนี้วันพุธอ๋อพรุนี้วันอาัคารอ๋อวันอาคารน ะ, อะเอาวันอาคารสีชมพูเรียนนึ่งลักษิมิติแล้วกัน ด้านหนังสือกันบางยังนี่รักค้อรักสมิติอัตมาก็ยังไม่ได้เอามาให้เอามาทั้งสองอย่างค้อรักสมิตินี่พิมพ์มีสอ ง, ม, สองมีสองเวอร์ชั่นเวอร์ชันแรกเนี่บรรยายรวบรวมมาแล้วก็ไปเป็นอะไรมาตั้งน้า้วอัตมามาเรียบเรียงใหม่เป็นเล่มเล็กลงก็เลยให้เอามามีสไลด์ก็ะส่งมาไม่รู้ส่งมาอยังเอามาใทยกัน อ, อจริงด้วยเขาต่อรองว่าความรักสมิธ